สอนอยู่ทุกวันว่าเกิดแล้วต้องตายเป็นธรรมดาใจไม่ตายไม่กลัวเลยรเ่๊ะไหใจไม่ตายไม่เคยตายัะหน่อยจะกลัวตายสิเองสิ่งที่มันไม่ไม่กลัวมันก็มันตายมันก็ไม่กลัวอยู่แล้วร่างกายไม่กลัวหนังเนื้อกระดูกไม่กลัวอะไร ตัวที่กลัวไม่ตายให้ให้ใ ห, ให้ให้คนความจริงตัวนี้ให้เจอเถอะแล้วจะอยู่อย่างสบายใจใเจอว่าไอ้ตัวนี้มันไม่ตายแล้วก็จะอยู่อย่างสบายใจแล้วก็เชื่ก่อนจได้ฟังั่วให้ตัวที่มันไม่ตายเนี่ย ถ้าเราพบมันเราก็จะสบายใจถ้ามันเราเนี่ยแหละทำไมเรามองไม่เห็นตัวเราเพราะเราไมนมีกระจกเงาไว้ดูกระจกเงาที่จะดูใจก็ต้องเป็นธรรมะภาวนาการภาวนาเป็นการสร้างกระจกใจขึ้นมาสร้างจง สำเร็จมันก็จะปรากฏเป็นภาพคือเรียกว่าธรรมะลงตาเห็นธรรมเห็นความจริงเห็นว่าใจกับกายเป็นคนละส่วนกันกายเป็นดินน้ำลมไฟใจเป็นทาน่าบนมาอยู่ร่วมกันตามอำนาจของปัญหาความอยาก แล้วก็ตามอำนาของบุญหรือบาปถ้าเป็นอำนาจบุญ้าได้ร่างของมนุษย์ถ้าเป็นอำนาจของบาปก็จะได้ร่างของเดรัจฉานถ้าอยู่กันไปเชื่อสยะเวลาหนึ่งแล้วก็แยกกันไปแล้วก็กลับมาใหม่กลับมาหาร่างใหมไปกลับมาอยู่อน่างนี้มานับไม่ถ้วนะ แต่ตัวที่มาได้ร่างนี้มันไม่เคยมีเวลาที่จะมาศึกษาความจริงนี้ทุกครั้งที่ได้ร่างสับพพิมาล่างนี้เป็นตัวเป็นตัวมันพอร่างเป็นอะไรไปมันก็เกิดความหวาตัวเกิดความทุกข์ขึ้ น, นถ้าได้สร้ า, างกระจกไว้ดูเหมือนกับเรามีกระจกที่เราดูหน้าตาเราเนี่ เราพ่อจะรู้ว่าเรานไม่ใเป็นร่างกาย ร, ร่างกายไม่ใช่เราถ้าได้บอกว่าร่างกายเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นอนี้จังไม่เคทื่องเกิดแก่เจบตายเป็นทุกข์ถ้าไปยึดไปติดไปหลูไปคิดว่าเป็นตัวเราของเราคือความหมายของอนิจจังทีกพังอนัตตา ถ้าผู้ใดเห็นธรรมนี้ผู้นั้นก็คือก็มีกระจกมีกระจกเห็นตนเองก็จะไม่กลัว่ารตายถ้าอา ญ, ญากรธรรมเนียบันก็เป็นวาจาไวสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาถึงนั้นย่อมมีการหลับไปเป็นธรรมดาเราจะเห็นจาติว ผู้เห็นกับเห็นที่ถูดเห็นเอาจะสมกันสิ่งที่เห็นก็คือร่างกายที่ประกอบ ด, ด้วยพิน้นาลมไฟธาตุไม่ได้เป็นตัวของผู้เห็นผู้เห็นเป็นเพียงเป็นผู้มาได้มาครอบครองเป็นสมบัติชั่วคราว เมื่อถึงเวลาสมบัติ น, นี้ก็จะต้องเสื่อหมหสภาพไปก็จะแยกคืนกับสู่สภาพเดิมของเขาเขาก็จะกลับไปสู่น้ำกลับไปสู่ลมกลับไปสู่ไฟกลับไปสู่ดินเวลาที่คนตายไฟก็จะออกจากร่างไปร่างกายก็จะเย็นแล้วต่อมาน้ำก็จะไหลออกไป ลงก็เราหาออกไปในที่สุดก็จะเหลือแต่ส่วนที่เป็นดินเห็นยังอยู่ชัดๆอย่า ง, างแล้วตอนนั้นไปถามม่าตัวเราอยู่ตรงไห น, นตัวเราตัวเขาอยู่ตรงไห น, นมันไม่มีคนที่เป็นเจ้าของขอนเขาก็ไปแล้วเขาไม่ได้ตามแ่าไม่ไดตายสมมติ เราไปเราก็ไปไว้เราก็ทิ้งร่างกายไว้ให้ได้เองเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายทุกคนก็เป็นเหมือนกันใจของทุกคนนี้เป็นธรรมชาติเดียวกันเป็นธาตุเหมือนกันต่างเพือว่ามันรู้ไม่จริงกับรู้จริงนั้นเองถ้ารู้จริงก็ไม่ทุกข์กับตาสบายว่างไม่ยึดไม่ติดแล้วก็ไม่ไม่อยากที่จะได้ร่างเนื พอได้มาทีไรนั้นก็ต้องมาแบกอย่างน้อยที่สุดนั้นก็เป็นทางอาหาเวเองเป็นจกักรฐานทาเป็นทางาที่ต้องแบกภาระเชีนพระพุทธเจ้าสร้างหลังจากท่านตัดจะรู้แล้วบรรลุธรรมแล้วท่านก็ยังต้องแบกภาระของร่างกายยังต้องดูแลรักษาให้าหลานหลับน้ําอับตา เวลาเจ็บข้ได้ป่วยก็ต้องให้อยู่ให้ยาดูแลไปเป็นภาระอย่างถ้าไมู่่ร่างกายก็ไม่ต้องมีภาระเหมือน้าโยมถ้าไม่มีลูก <c oughs> ก็ไม่มีภาระที่ต้องเลี้ยงดูลูกมีลูกก็ต้องเป็นภาระต้องเลี้ยงดูตั้งแต่ออกมาจากท้องก็ต้องเลี้ยงดู จนกว่าจะเจริญเติบโตจนเขาเลี้ยงตัวก็เองได้ถึงจะหมดภาระไปนี่คือคอเรียกว่ากระจกกระจกสงใจแว่นดวงใจแว่นสงใจเนี่ยที่เรามีท่านความหมายนั่นก็คือปัญญานนเนยอปัญญาหรือธรรมะแสงสว่างแห่งธรรม ที่จะทําให้เราเห็นความจริงนี้นที่พระพุทธเจ้าเป็นองเดียวองค์แรกที่เห็นใจตัดสรลิ่มัดสเลิ่มตัดสเลิเรื่องของใจนี้เองตัสเลิ่มว่าใจนี้ทุกข์เพราะอะไรใจสุขเพราะอะไรใจทุกข์เพราะหลงไปยึปปดไปติดขันห้างว่าเป็นตัวเราของเรา แสดงไว้ในทุกข์จับอุปทานในขันธ์ห้าเป็นเป็นทุกข์ถ้าไม่มีอุปทานก็จะไม่มีความทุกข์ถึงแม้จะมีขันธ์ห้าแต่ถ้าไม่มีอุปทานก็จะไม่ทุกข์เช่นพักจะยา่าบ้านอะไรท่านจะไม่ทุกข์กับร่างกายจะเป็นจะตายอย่างไรท่านไม่เดือดร้ <c oughs> ตายในอิรยาบถไหนเมื่อไหร่ที่ไหนเวลาใดา ทนตายยาอย่างสบายเพราะท่านได้มีอุ ป, ปทานในขันในร่างกายว่าเป็นตัวเราของเราท่านเห็นชันอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นเพลิยงยิงย้นหมุนปคือท่านตสรู้่าัดสรู้พระอายนะสาสทุกสมุทยนะัยนมระทุก็คือ เ, เกิดแก่เสด็จตายการพัท่าจากสิ่งที่ รักไมชอบด้วยการประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่ชอบหรือโดยย่อเป็นการสรุปแนวคิดว่าก็คืออุปทานในขันห้าทั้งของเราและของผู้อื่นอุปทานในขันห้ของเราก็คือร่างกายเราของผู้อื่นก็คือของสามีของธรรมญาของหยุดของพี่ดาของพ่อของแม่ของเพื่อนของ พอมีอุปทานว่าเขาเป็นเพื่อนเราเป็นญาติเราเราก็เกิดความอยากอยากให้เขาอยู่อย่างปลอดภัยอยู่ไปนานพอมีเหตุการณ์ที่มากระทบกับความกับความสอดภัยของเขากสร้างความหวั่นไหวสร้างความความเดือดร้อนใจขึ้นทั้งหมดนี้ก็เกิดจากควาวิชา ปัิยาสังขารความเห็นผิดเปชอบความไม่เห็นว่าไม่มีอะไรเป็นตัวเราของเราจับเตธรรมาอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างทั้งสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เป็นเพียงธาตุเท่าทนั้นเอาตที่เห็นก็มีอยู่ห้าส่วนเห็นจริงๆก็มีสี่ส่วนคือดินน้าลมไฟ ถ้าที่มองไม่เห็นไม่เห็นแต่มันไม่มีอะไระให้เห็นก็คือท่าอากาศส่วนท่าที่มองเห็นยากที่สุดก็คือท่าลมอากาศสัพพสิ่ทั้งหมดนี้ก็มีท่าทั้งหกนี้มาะสมกันบางสิ่งก็มีเป็นห้าส่วนบางสิ่งก็มีหกส่วนสิ่งที่มีหกส่วนก็พวกที่มีสิ่งที่ ที่มีความรู้สึกนึกคิคือพวกมนุษย์กับเดราาัจฉานก็มีอยู่หกส่มีร่างกายก็ธาตุสีมีธาตุรู้ก็คือใจแล้วก็มีอากาศาสัทธาก็คือความว่างที่อยู่ล้อมรอบตัวร่างกายนี้แหละและอยู่ข้างในร่างกายนี้ด้วยภัยในร่างกายก็เที่ยที่ตรงไหนเป็นช่องว่างตรงนั้นก็เป็นอากาศาสัทธาที่รู้จมูกนี้เข้าไปที่อยู่ ส่วนที่มันว่างอยู่ภายในร่างกายนี้ก็มันก็จะมีอากาศสระท่าอยู่แต่ส่วนที่อยู่นอกร่างกายอยู่ที่รอบร่างกายขนานี้ก็เป็นอากาศสทาส่วน้ารู้ก็คือใจที่มาเป็นเจ้านายของร่างกายเป็นเจ้าของร่างกายใจเป็น่างกายคุณบาารู้นี่เป็นผู้สั่งให้ร่างกายทางาน ใต่ไปนั่นมานี่ให้เป็นพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้ชาบูนี้เป็นทั้ผู้ที่ต่างนะเป็นผู้ที่รับรู้จุงต่างๆที่มาเข้ามาทางตะวานทั้งห้าคือเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นใจ <c oughs> นี่คืออวิชชาปัจจัยสังาขารพอไม่รู้ว่าเป็นเพีมทา่านก็ ไปรู้ไปคิดว่าเป็นตัวเราของเรา mm hmm. ก็เลยสั่งให้ทำต า, ต, าตามตามตัวเราของเราอะไรที่ทำให้ร่างกายนี้มันจเจริญ ม, มันดีก็ดีใจอะไรที่มาทำให้ร่างกายนี้มันเจ็บมันทุกข์มันเดือดร้อนมันก็เสียใจก็เลยเกิดตัณหาขึ้นมา กกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาขึ้นมาตัณหานี่แหลเป็นสมุทยัยตัวที่ตัวเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นเพราะอวิชชาแล้วก็อุปาทานแล้วก็ตัณหาเนมันก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมาที่เราพวกเราทุกกันอยู่ทุกวันนี้ทุกทางใจนี้ก็เพราะสามตัวนี้อากาศร้อนก็ทุกข์เพราะว่า ไม่ชอบเวทนาที่มันร้อนอยากจะให้มันเย็นก็ทุกข์ขึ้นแต่ถ้ายอมรับความร้อนร้อนก็ร้อนไปอยู่กับมันไปอยู่ได้ก็อยู่ไปอยู่ไม่ได้ก็ตายมันก็ไม่ทุกข์ไม่ต้องไปหาเครื่องปรับประกาศไม่ต้องไปหาวิธีอะไรต่างๆที่จะมาดับความร้อน อยู่กระมันไปอยู่ได้ก็อยู่ไปอยู่ไม่ได้ก็ตามอย่างนี้ใจก็จะไม่ถุกเพราะใจไม่มีอุปทานไม่ได้คิดว่าตัวเราร้อนไม่ได้คิดว่าร่างกายร้อนร่างกายเป็นตัวเราไม่ได้คิดตัวเราไม่ร้อนตัวเราเพียงรู้ว่ามันร้อนที่ร่างกายแต่เราคือผู้รู้ไม่ได้ร้องไปสำนึกเราเยาง เพราะเย็นด้วยความสงบเย็นด้วยปลยด้วยการปลยวางเย็งด้วยการเป็นอุเบกขาเวลาเป็นอุเบกขานี้ก็จะไม่มีตัณหาทั้งสามตามตัณหาก็ไม่มีเพราะว่าตัณหาก็ไม่มีวิภาวะตัณหาก็ไม่มีเฉยยังไงก็ได้ตามนี้ตามเกิดนี่ลนะก็คือตั้มหมายของการปฏิบัติ ก็เพื่อที่จะสอนใจให้ปล่อยวางไม่ให้ยึดไม่ติดในสิ่งต่างๆที่เป็นเพียงธาตุนนั้นเองคือธาตุทั้งหกธาตุดินน้ำลมไฟธาตุอากาศแล้วก็ธาตุรู้ถ้าใครเห็นสิ่งเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนในทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสามารถปฏิบัติามความจริงได้คือปล่อย วางได้ก็จะไม่ไม่ทุกข์กับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างก็มาจากธาตุทั้งหกนี้ร่างกายของเราก็ธาตุหกร่างกายของคนอื่นก็ธาตุหกบ้านก็ธาตุห้าสมบัติตา่างๆก็ธาตุห้าตอนนั้นเองดินน้าลมไฟเพศต่อให้ก้อนโตเท่ากับกํามือมันก็เป็นเพียงธาตุตอนนั้นเองเป็นเพียงก้อนหินก้อนห ที่เราไปสมมุติกันว่ามีราคาตอนมีราคาก็เลยหลงกันหลงที่สมมุติแต่ความจริงมันไม่มีราคามันเป็นเพียงก้อนหิงก้อนเนี่ยหรือกระดาษที่เราพิมพ์แล้วพิมพ์เลขเข้าไปว่าเลขพันเลขร้อยเลขพันร้อยนี่ก็เป็นกระดาษแล้วก็สมมุติว่ามีราคาเท่านั้นราคาเท่านี้นสมมไม้เป็นเด็กๆแล้วก็เคยน่นไพ่แล้วก็มีเงินปอน พอไม่มีใครก็เชื่อกันนะเวลแต่เงินฟองของผู้ใหญ่นี่กับเชื่อกันเงินฟองของเด็กเนี่ไม่เชื่อกันมันยเงินฟองด้วยกันทั้งคู่อ่ะมันก็เป็นกระดาษเหมือนกันนี่พอมีคนเชื่อมันก็เลยมีค่าขึ้นมาพอเราเอาเงินนี้ไปให้เขาขอแลกกับเท้ากับปลาอาหารเขาก็ให้เรามามันเป็นความเชื่อกันเท่านั้นเองอย่างในเงินของฝรั่งก็เขียนไว้แล้วว่า In God we trust เราเชื่อพระเจ้าเชื่อว่าแบางนี้พระเจ้าเป็นคนเร็จขึ้นมามีคุณค่าความจริงมันก็เป็นกระดาษเนทะ่านั้นเองแต่เพราะว่าทุกคนยอมยอมเชื่อกันยอมหลงกันยอมรับกันว่ามันมีราคามันก็เลยเป็นของมีราคาขึ้นมาแต่ความจริงมันไม่มีราคาลองไปหลองอยู่ในปลาหลงงอยู่ในป่าดูส ไปเจอเพชรทักกองเทัพภูเขามันก็ไม่มีประโยชน์ใดครับเราไปเจอกล้วยทักเหว่มันจะดีกว่าแต่เราไม่ใช้ปัญญาแยกแยะกันเราเกิดมาทุกข้อสอนให้ให้ว่าเป็นอะไรเราเชื่อตามกันมาเกิดมาก็บอกว่าร่างกายคนนี้เป็นพ่อร่างกายคนนี้เป็นแม่ก็เชื่อกันมาคนนี้เป็นพี่คนนี้เป็นน้อง คนนี้เป็ น, เ ป, นเป็นเจ้าคนนี้เป็นบ่าวมันก็คนเหมือนกัน่ะลองดูหน้าตาเจ้าหน้าตาบาว ม, มันต่างกันตรงไหนเจ้ามีเขามันก็น่าจะน่าจะวิเศษบ้างเจ้าก็ไม่มีเขาบ่าวก็ไม่เห็นมีเขานั่นก็มีแขนมีข า, า, า, ข า, ขาเหมือนกันมีอาการทางขีดจอบเหมือนกันแล้วจะไปตื่เต้นอะไร เพราะว่าไม่ใช้ปัญญาหลงตามสมมติกันเขาให้ค่าคนนี้ว่าคนนี้มีราคาคนนี้ไม่มีราคาแต่ความจริงมันก็เป็นร่างกายเหมือนกันเป็นธาตุสี่เหมือนกันเป็นดินน้ำลมไฟเหมือนกันนี่เรียกว่าปัญญาถ้าเราอยากจะรู้ทันกิเลสเราก็ต้องรู้ทันแบบนี้ต้องต้องพิจารณาแบบนี้ต้องมองแบบนี้ เราลองจะได้หลุดพ้นจากสมมติได้ทุกวันนี้ที่เราติดอยู่นี้นก็ติดกับสมมุตินี่เพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาอยู่เรื่อยๆพิจารณาอยู่เรื่อยๆถ้าเราเอาการบ้างเรื่นี้ไปพิจารณาดูเห็นอะไรก็พิจารณาว่าเป็นท่า เราเราแยกแยะดูด้วย่ามันเป็นธาตุไ้มมีอะไรบ้างที่ไม่เป็นธาตุสีด้วยน้ำมันใสธาตุดินก็อะไรที่เป็นส่วนแข็งก็เรียกว่าดินอะไรที่เป็นส่วนเหลวก็เรียกว่าน้ำแต่บางส่วนมันก็เป็นมันก็มีทั้งธาตุดินธาตุน้ำผสมกันมันก็ข้นๆหน่อถ้ามันใสๆมันไม่มีธาตุดินเลยหรือาจจะมีน้อยมากก็ได้ เส้นน้ำที่เราเดือดในเครื่อน้ำแร่มันก็ยังมีธาตุดินอย่เพียงแต่ว่ามันมีจํานวนที่น้อยมากจนแทบจะมองไม่เห็นนี้เ้าเรียกน้ำแร่ได้อยังไงต้องเรียกน้ํากล่อมดิถ้าน้ํากล่นี้มันแทบจะไม่มีธาตุดินผสมเลยพอาะเขากล่อมเอาแต่น้ําออกมาอย่างเดียวแต่มันทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ ในส่วนผสมของท่าสี่ท่าท่านี้รวมกันเข้าไปทั้งนั้นแล้วมันก็ไม่มันไม่เที่ยงมันยัง ม, มีการรวมตัวแล้วเดี๋ยวมันก็มีการแยกออกจากกันท่าโดยธรรมชาติของมันมันอยากจะกลับสไปบ้านเดิมของมันน้ำมันอยากจะกลับไป็นิมกับน้ำดินมันอยากจะกลับปเป็นเดิมกับดินเฉกแต่ว่าบางทีมันถูก ถูกธรรมชาติหรือถูกปัจจัยอื่นมาบังคับให้มันมารวมกันพอมันมารวมกันน้ําเดี๋ยวมันก็ต้องแยกกันเช่นต้นไม้ที่มันโผล่ขึ้นมาเพราะว่ามีมันมีเมล็ดอยู่ในอยู่ในดินแล้วก็มีน้ําเข้าไปเข้าไปในดินแต่ถูกเมล็ดเข้าเมล็ดมันก็เลยงอกขึ้นมาถ้าเกิดไม่มีไม่มีน้ําต่อไปต้นไม้มันก็ต้องแห้งตายกันหมด ถ้าไม่มีอากาศต้นไม้มันก็มันก็ต้องตายไม่มีความร้อนต้นไม้มันก็ต้องตายมันต้องมีทั้งธาตุทั้งสิ่งมันถึงจะสามารถเจริญเติบโตและอยู่ได้แต่ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งหมดไปหรือหายไปมันก็จะไม่สามารถอยู่ได้หรือบางทีไม่ทุกสิ่งทุกอย่างยังมีอยู่แต่มันอำนาจของของ ความที่มันอยากจะแยกออกจากกันนี้มันมีมากกว่ามันก็ตายได้ร่างกายของเราที่ตายก็เพราะว่าธาตสื่อเนไม่อยากจะอยู่ร่วมกันมันอยากจะแยกทางกันไปตอนต้นนี้มันส่วนที่ดึงมันไว้มันมีกําลังมากกว่าส่วนที่ดึงให้มันอยู่ร่วมกันมันมีกําลังมากกว่าเราเรียกว่าส่วนทําให้ร่างกายเจริญเติบโตอ ปัจจัยหรือส่วนที่บังคับให้ธาตุสี่นี้ดวมกันนี้มันอ่อนกำลังลงสู้สู้ปัจจัยที่อยากจะแยกให้มันแยกออกจากกันไม่ได้มันก็ค่อยๆเสื่อมลงไปเรื่องเาเรื่องแก่ลงไปแล้วในที่สุดมันก็แยกออกกันไปคนละทิศคนธะทางน้ำก็ออกไปทางไฟก็ไปทางหงลมก็ไปทางดินก็ไปทางง ไม่ในตัวตนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของอื่ให้พิจารณานี้ไปเรื่อยๆแล้วต่อไปจะปล่อยางได้เมื่อพร้อมก็ลองเอาไปปล่อยดูไปทดสอบดูว่าปล่อยได้หรือเปล่าที่ไหนที่น่ากลัวน่ากลัวที่น่าจะมีอันตรายต่อร่างกายนี้ก็อลองไปดูนักปฏิบัติตั้งแต่สมัยพระพุทธกายถึงถึงปัจจุบันนี้ต้องทดสอบกันทั้งนั้น ต้องอยู่ป่าอยู่เขากันนั้นต้องอยู่ตามลําพังถึงจะเกิดความกลัวสุดขีเมื่อมันเกิดความกลัวสุดขีถ้ามีปัญญามันก็จะดับได้มันดับด้วยด้วยด้วยการเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นธาตุสิ่นี้เองแล้วก็เชื่ออย่างเต็มที่ว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆถึงเวลาก็ยอมให้มันไปเลยเวลากลัวสุดขีแล้วก็ยอมปล่อยเอาตายเป็นตาย พอมันปล่อยแล้วกบจิตมันจะปล่อยมันจะเห็นมันจะแยกออกจากร่างกายไม้เห็นเลยจิตมันจะรวมเข้าสู่ผวางเข้าสู่สมาธิรวมเป็นเอกาตารมร่างกายก็อยู่ส่วนนึ่งแล้วหลังจากนั้นนะมันไม่มีทางกลัวตายเพราะมันรู้ว่าไม่เป็นอะไรร่างกายมันเป็นอะไรจต่ใจกับสบายยิ่งสบายความมีร่างกายช่วยแล้จะไปกลัวตา้ มีมันแบบมันเป็นภาระมันเป็นทุกภาระหวเวงพอจะลับมันทิ้งไปได้แล้วมันใจมันจะสบายแรกการระหว่างร่างกายกับจิตที่รวมลงมเป็นหนึ่งเป็นเอกตารลม น, น, น, น, นี้เราจะเอาอะไรถ้าถึงบอกวันนิพพานอยู่ซากาจถ้าไม่ยามตายมันจิตมันไม่มันไม่ดิ่งลงสู่นิผพานไม่ดิ่งลงสู่ความสงบได้แต่ก่อนที่เราจะไปถึงขั้นนั้นได้เราก็ต้องทําการบ้านนี้ก่อน ต้องเตรียมต้องซองไว้ก่อนถ้าเราไม่ไม่ทาําไม่มีไม่มีกําลังพอไปถึงแล้วมันทําไม่ได้มันก็จะสติแตกแทนที่จะเด่งลงสู่ความสงบมันก็เด่งสู่ความเป็นบ้าไปเลยก็ได้เพราะมันควบคุมกิเลสไม่ได้กิเลสนี่มันจะทําให้สติแตกจะทําให้เป็นบ้าไปเลยคนที่คนที่ปฏิบัติแล้วเป็นบ้ากันก็นี่ก็มีส่วนหนึ่ง เพราะยังไม่รู้กำลังของตนเองท่านถึงลองคําให้คนที่บวชใหม่นี้ต้องอยู่กับพระอาจารย์ 105, รอย่างน้อยห้าพันาต่อให้ให้ศึกษา ว, วิทยายุทธให้มีอาวุธคุ้มครอง จ, จิตใจก่อนแล้วค่อยออกไปต่อสู้กับกิเลสในสนามโลกตอนต้นก็ซ้องกับอาจารย์ี้ก่อนให้อาจารย์นี้เป็นเป็นกิเลส คือตัวท่านนี่แหละจะเป็นคนยุยยาทำให้เกิดกิเลสขึ้นมาทำให้เรากลัวเราดูซิว่าเราจะปลงได้หรือไม่ถ้าเราปลงได้ไม่กลัวท่านขั้นต่อไปก็ไปได้ถ้ายังกลัวท่านอยู่ท่านก็จะไม่ให้ไปคนที่บวชแล้วก็ไปอยู่เองเนี่ส่วนอย่ก็มักจะเสียหายไม่ไม่ค่อยได้ได้อะไร นอกจากคนที่เก่งจริงๆก็มีข้อยกเว้น mm hmm. เช่นพระพุทธเจา้าท่านก็ไม่มี mm hmm. แต่ว่าไม่มีอาจารย์ก็ไม่เฉยท่านก็ไปศึกษากับพระอาจารย์อื่นมาก่อนเหมกันท่านก็ไม่ได้ไปอยู่ตามลวมพังท่านก็ไปศึกษาตามสํา น, นักต่างๆดการมีอาจารย์นี่นจึงเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าคงมีบังครั้ให้อยู่กับอาจารย์ถึงห้าพรรษา พระที่บวชใหม่นี่จะต้องไม่อยู่ปราศจากอาจารย์ต้องถือนิสัยในอาจารย์หรือพระอุปชาถ้าพระอุปชาท่านไม่ไม่สามารถที่จะสอนได้ท่านก็จะฝากให้ไปศึกษากับพระอาจารย์ลูกที่ที่สอนได้ก็ต้องไปถือนิสัยกับพระอาจารย์ลูกนั้นจะไปไหนมาไหนก็ต้องขออนุญาตท่านก่อนถ้าท่าน ให้ไปถึงจะไปได้ถ้าท่านไม่ให้ไปก็ก็ไปไม่ได้ถ้าดื้อก็ถือว่าท่านก็จะไม่ไม่ไม่รับกลับมาถ้าไปแล้วก็ไปเลยไม่ต้องกลับมาเพราะว่าถือว่าขาดจากการเป็นอาจารย์เป็นลูกศิษย์ถ้าอาจารย์พูดอะไรลับลูกศิษย์ฝืนคำสั่งไม่เชื่อฟังก็ไม่มีไม่มีไม่มีอะไรที่จะเป็นประโยชน์ต่อไป กาอาจารย์สอนลูกศิษย์ก็เชื่อไม่เชื่ออย่างนี้นก็สอนไปเสียเวลาดังนั้นการศึกษาจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากสำหรับผู้ที่แรกเริ่มเข้าสู่เอ่อเข้าสู่การปฏิบัติเข้าสู่การศึกษาก็ทาคำสอนของพุทธเจ้าเข้าสู่พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงวางไว้เลยว่าต้องศึกษาก่อนปริยะนะัตเนี่ยคือการศึกษาคําสอนของพวกที่รู้นะเราไม่ใช่เป็นผู้รู้เรายังเป็นผู้ไม่รู้อยู่เราต้องหาผู้รู้ให้สั่งสอนเราเมื่อเรารู้ว่าท่านสอนให้เราทําอะไรเราก็ปฏิบัติตามปฏิบัติไปจนกว่าที่จะ บรรลุผลขึ้นมาเป็นปฏิเว้ปฏิญญาเพื่อนำไปสู่ปฏิบัติปฏิบัติเพื่อนำไปสู่ปฏิเว้เมื่อปฏิเว้บรรลุธรามแล้วนี้ก็ค่อยเผยแผ่สังสอนผู้อื่นต่อไปจะสามสอนก็ได้จะไม่สา่สอนก็ได้ไม่ไม่มีกฎบังคับตายตัวขึ้นอยู่กับปัจจัยของแต่ละองค์แต่ละท่าน องค์ท่านก็ไม่มีความสามารถที่จะสั่งสอนได้อย่างกว้างขวางท่านก็อาจจะไม่สอนหรือท่านอาจจะไม่มีผู้ที่ศรัทธาที่จะมาศึกษากับท่านท่านก็ไม่ท่านก็อาจจะไม่สอนก็ได้องค์อาจจะมีความสามารถและมีคนสนใจที่จะมาศึกษากับท่านมากท่านก็สอนไป แเรื่องเหล่านี้เรื่องเรื่องการสั่งสอนนี่เป็นเรื่องเรื่องทีหลังเรื่องไม่จําเป็นสําหรับตัวผู้ปฏิบัติเองสิ่งที่สําคัญที่สุดของผู้ปฏิบัติก็คือปฏิเวสการได้บรรลุผลที่เกิดจากการปฏิบัติและจะเกิดได้ก็ต้องมีการปฏิบัติที่ถูกต้องการปฏิบัติที่ถูกต้องก็คือสุ ป, ปฏิปันโนอุชุยายะสามิจิปฏิปันโนและผู้ที่จะ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้เก็ต้องมีปรรยักษ์ที่ถูกต้องที่เดียวกันมีคําสัสอนที่ถูกต้องที่เรียกว่าสวากขาโตภะวตาธรรมโมเราจะศึกษากับใคร่ะสวากขาโตภะวตาธรรมโมที่เป็นที่ยอมรับกันได้ก็คือพระไตยปิฎกเชื่อว่าเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้รับการถ่ายทอดมา ทุกรุปทุกสมัยจนถึงปัจจุบันหรือไม่เะนั้นก็จะพาาระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคูบาอาจารย์ผู้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วก็ต้องศึกษาจากบุคคลเหล่านั้นเท่านั้นถึงจะได้สว่าขาโตภปัวัตตาธรมโมทางที่จะถาคตตัดไว้ชอบแล้วนี่คือขั้นตอนของการ ดำเนินของพุทธศาสนิกชมไม่ว่าจะเป็นข้รหัสหรือบรรพชิตก็เหมือนกันไม่ต่างกันบนรรพชิตกับข้ารหัสนี้ถ้าต่างกันก็ต่างตรงที่เวลาเท่านั้นเองเวลาที่จะมีต่อการดำเนินกิจของศาสนาถ้าเป็นบนรรพชิตก็จะมีเวลาเต็มที่ตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยไม่มีภารกิจอย่างอื่นมา มาดึงไปแต่ถ้าเป็นคลรวาสผู้คองเรือนี้จะมีเวลาน้อยมากต่อการปฏิบัติกิจของภาะสารญาวันหนึ่งแทบจะไม่มีเวลาเลยถ้าไม่ถ้าไ ม, าไม่ตั้งใจจริงๆถ้าไม่กำหนดตารางไว้จริงๆแนละ้วแทบจะไม่ไม่มีใครทำเลยตื่นเช้าขึ้นมาก็ตาลีตาลานีบไปทางานทำมาหากินเอง พอเย็นก็รีบตาวีตาลากลับบ้านเพื่อจะได้กินข้าวพักผ่อนหลับนอนหาความสุขเล็กๆ น, น้อยๆจากการดูหนังวางเพลงหย่อนใจพักผ่อนหย่อนใจเพื่อจะได้มีกำลังออกไปทำงานในวันรุ่งขึ้นต่อไปเท่านั้นเองดังนนชีวิตของคาราวาจึงไม่ค่อยมีเวลาที่จะปะฏิบัติกิจของจารยา์เสมอแต่ถามว่าคาราวาจกับ บรรพชนนี้ต่างกันและไม่ต่างกันก็มีฐานห้าเหมือนกันมีกายมีใจเหมือนกันถ้าจะต่างกันก็ต่างตรงที่ว่ามีความฝ่ายธรรมมากน้อยต่างกันถ้าฝ่ายธรรมมากก็มีกําลังมากที่จะจะละเพศของขารวาสได้แล้วก็ออกไปปฏิบัติได้ออกไปบวชเป็นบรรพชนเป็นนั่บวชเพื่อปฏิบัติ ได้อย่างไเต็มที่แต่ถ้าบวชแล้วไม่ได้ปฏิบัติกลับมาทำเกตของคารวะมันก็มันก็ไม่ต่างกันเช่นบวช้วไม่เคยนั่งสมาธิไม่เคยเดินจงกรมมาแต่ทำเกตบุญบางสังส่วนเคยได้ยินไหมเกตบุญบางสังส่วนบุญก็คืองานบุญเช่นยากโยมนิมนต์ไปทําบุญที่บ้านถือตะมาปัดไป แล้วก็มานั่งสวดให้ยากโยมฟังกันเสร็จล้วก็ฉันฉันเสร็จแล้วก็รับจะจุดปะัะจายทายท่าแล้วก็กลับวัดกลับวัดก็นอนพักผ่อนบ่ายๆก็ถดื่มน้ำชากาแฟแล้วก็นอนเช้าก็ <c oughs> ก็ไปรับคิดมิมุนหม่หลังกระทานบ้างงานบุงบ้างบุญบางสังส่วนบางสกุล เวลาคนตายก็ไปบางสกุลงานสวดถ้ามีพิธีสวดที่ไหนก็ไปกันสวดกันใหญ่ <c oughs> ถ้าเป็นกิจอย่างนี้ก็ไม่ต่างกับคาววาเพระาะนี้ไม่ใช่กิจของศาสนาไม่ได้กิจที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติแต่ไม่ทราบว่ามันโผล่ขึ้นมาได้ยังไงศึกษาดูในอดีตนั่นถ้าไม่ได้ถึงกิจอย่างนี้เป็นกิจ การสวดที่ทั้งสวดเนี่ยทั้งสวดเพื่อการจาวฤกเพื่อสืบท่าพระพุทธศาสนาทมสอนของพระพุทธเจ้าที่เขาท่องกันเนี่ยพระท่องกันนี่ก็เป็นเป็นอุบายสองอย่างด้วยกันคือหนึ่งเป็นการสอนผู้สวดเองให้มีความรู้เกี่ยวกับพระธรรมคําสอนแล้วก็มีสมาธิด้วยเวลาสวดพระธรรมธรรสอนของพระพุทธเจ้าคือการท่องเนี่ยไปในใจมันก็เป็นการภาวนา ทำให้เกิดสมาธิถ้าเข้าใจทางหมายก็จะเกิดปัญญานี่คือประโยชน์ที่ได้รับจากการสวดพระพธ ร, ะะรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ส่วนอีกส่วนก็เป็นการสืบทอดภาษาศาสนาคือเป็นการรักษาอนุรักษ์คําสอนของพระพุทธเจ้าไว้แต่ส่วนนี้ไม่สําคัญเท่ากับการ ศึกษาปฏิบัติและปฏิเวทเพราะนั้นเป็นการที่จะอนุรักษ์พระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงต้องเป็นธรรมที่ออกมาจากใจของผู้ปฏิบัติธรรมที่ออกมาจากใจกับทางที่พระเจ้าสั่งสอนอนี้จะตรงกันจะไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าศึกษาอย่างเดียวคือฟังพระธรรมคําคสอนอย่างเดียวโดยที่ไม่ไม่ได้มีปฏิเวทไม่ได้ปฏิบัติไ ม, ไ, ตไม่มีปฏิเวทใน จะสงสัยจะไม่แน่ใจว่าทาที่ได้ยินนี้ถูกต้องหรือไม่เป็นอย่างงั้นจริงหรือไม่เีย่ยมันจะมันจะไม่ถ้าถ้าจะอนุรักษ์ศาสนาด้วยการท่องบทอย่างเดียวนี้ไม่พอศาสนาจะต้องหมดไปอย่างแน่นอนถ้าไม่มีการปฏิบัติเมื่อไหร่เมื่อนำหลักศาสนาก็จะหมดไปแต่ให้มีการจะรื้ ก็าตายไปโดดไว้ในระบบข้อมูลสื่อสารต่างๆมันก็จะเป็นเพียงแต่ตัวตัวหนังสือเท่านั้นเองที่คนอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจหรือบางเลยสงสัยไม่รู้ว่าพูดอะไรอย่างที่พูดถึงเรื่องธาตุกถ้าไม่เคยได้ยินไม่เคยศึกษามาก่อนความทั้งแรกก็จะต้องงงทันทีธาตุหกเป็นยังไงนั่งการนี่มันเป็นธาตุกได้ยังไง แต่ถ้าไม่ปฏิบัติจะไม่รแต่ถ้าปฏิบัติแล้วจะเข้าใจทันทีพออ่านปั๊บนี่จะรู้ทันทีเลยว่าท่านพูดถึงเรื่องอะไรเพราะมันมีอยู่ในตัวเรามันไม่ได้อยู่ที่ไหนถ้าถูนี้มันอยู่ในตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี้มันเข้ามาในที่กายและใจของเราทั้งนั้นอริยาาสัจสี่มันก็อยู่ที่ใจของเราอยู่ที่กายของเราทุกข์กระสับเกิดแก่เจ็บตายอะไรที่เกิดแก่เจ็บตายมันก็ล่ามกาย นั่นอะไรทุกข์กว่านีใยทุกข์เพราะไปยึดไปติดกับร่างกายว่าเป็นตัวเราของเรานี่คือเรื่องของการที่เราจะอนุรักษ์พระศาสนาให้มีอายุยืนยาวนา น, านก็ต้องอนุรักษ์ด้วยปริยญาตปฏิบัติปฏิเ ดังนั้นในสมัยโบราณท่านสวดกันเพื่อเรื่องนี้ด้วยเหตุนี้แต่ในสมัยปัจจุบันนี้ท่านไม่ได้สวดด้วยเรื่องนี้เพื่อเหตุนี้ท่านสวดเพื่อกระดาษที่พิมพมีตัวเล ข, ขอาจารย์ไหมมันก็เลยเป็นเพียงการเป็นพิธีกรรมไปเท่นั้นได้อย่างมากก็ทาน ถ้าท่านเอาเงินที่ท่านได้มาเอาไปทําทานท่านก็ได้ทํานน้นเองแต่ทางนี้่มันไม่ได้เป็นหน้าที่ของท่านท่านสละหมดแล้วรับสมบัติเจ้าของเงินทองถ้าท่านมาบวดเพิ่มมาหาเงินก็สแสดงว่าท่านไม่ได้หทำทางท่านไม่ได้ทำบวชตามแนวของผู้ที่บวชจริงๆผู้ที่บวชจริงๆต้องเขาสละเขาไม่ได้มาบวชเพื่อที่จะมาสะสมทรัพย์สมบัติเจ้าของเงินทองท่านมา มาบวชเพื่อจะได้มีเวลาปฏิบัติธรรมจะไม่มายุ่งกับไอ้เรื่องเองินเรื่องทอง น, นอกจากว่ามันมายุ่งกับท่านเองอันนี้ก็ช่วยไมได้อย่างครูบาอาจารย์เมื่อเมื่อมีคนศรัทธามากเขาก็ถวายเงินถวายทองให้กับท่านแต่นี่มันคนละเรื่องกันท่านไม่ได้ไม่ได้มีจิตใจที่จะมุ่งไปหาเงินหาทองแต่เมื่อมันมาท่านก็พยายามใช้มันให้เกิดประโยชน์ แต่โลกให้ได้มากที่สุดท่านนั้นเองแต่ตัวท่านเองท่านไม่ได้มีอะไรประมาณนั้นแล้วถ้าสมมุติว่าถ้าท่านใจของท่านยังไม่บรรลุเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาได้เพราะถ้ายังไม่บรรลุมันจะมีกิเลสที่จะทําให้เกิดความโลภเกิดความอยากเกิดความหึงขึ้นมาได้แล้วถ้าเกิดไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองมันก็จะเสียไา้ตัวท่านเองจะเสีย แต่ถ้าท่านบรรลุธรรมแล้วท่านเสร็จเกียตของท่านแล้วมุสิตังรอมเทียร์หรือย่างแล้วเกียตในพรหมจรรย์นี้ได้ซึ่งสุดลงแล้วต่อให้ท่านได้เงันกองกองเท่าภูเขามันก็ไม่เป็นปัญหา เ, เพราะท่านรู้ว่ามันก็เป็นเพียงธาตุเท่านั้นเองเป็นเพียงกระดาษเท่านั้นเองเพียงแต่ว่ามันเป็นประโยชน์กับคนที่้องเดือดร้อนคนที่ไม่มีข้าวกินคนที่ไม่มีบ้านอยู่คนที่ไม่มีเสื้อผ้าใสอันนี้เป็นประโยชน์กับเขา ใจกับตัวท่านมันไม่มีประโยชน์อะไรทั้งกายและใจกายท่านก็ปล่อยใจท่านก็ไม่มีทุกข์กับอะไรไม่มีความอยากกับอะไรนั้นต่อให้เงินให้เงิ น, งนทองกองเท่าภูเขามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับท่านมันกลับเป็นภาระท่านภาระที่จะต้องจัดการดูแลแจกจ่ายให้มันเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดเท่า น, นั้นแล้วเราถ้าเราเป็น นักบวชเราไปเห็นครูบาอาจารย์เราเราจะไปถือท่างเป็นเป็นตัวอย่างไม่ได้ในเรื่องเงินเรื่องทองเห็นครูบาอาจารย์มีเงินมีทองมากเรามาบวชใหม่ปักก็อยากจะไปมีเงินมีทองเหมือนกับท่านนี้มันก็นเราก็หลงทางเพราะการบวชของเรานี่เราไม่ต้องการมาหาเงินหาทองเรามาบวชเพื่อที่จะหาธรรมหาการหลุดพ้นจากความทุกข์ นนเป็นงานของของนักบวชหรือ ง, งานของพุธธทธศาสนิกชนทุกระดับก็เหมือนกันเป้าหมายของพวกเราทุกคนนี้ก็อยู่ที่การดับทุกภายในใจของเราอยู่ที่ว่าเราจะดับได้มากน้อยเพียงไรเท่านั้นเองถ้าเราเราปฏิบัติมากเราละได้มากเราก็จะดับได้มากเพราะทุกสิ่งตัวอย่างที่เรามีอยู่นี้มันเป็นเหมือนเป็นเหมือนไฟเงินทองนี่เป็นเหมือนไฟมันจะคอยเผาเราอยู่เรื่อยๆ ความสุขที่มันให้กับเราเนี้มันไม่มากเพียงเล็เกเล็ก น, น้อยน้อยเท่านั้นเองแต่ความทุกข์ที่มันเผาใจเราเนี้ยมันมากกว่าเยอะแต่เราไม่รู้กันเราเห็นเงินเห็นทงองแล้วตาลูกวาวคิดว่าจะให้ความสุขกับเราแต่เราหารู้ไหมว่าถ้าเราไปยึดติดกับเงินไปเพิ่งเงินแล้วเวลาที่เราไม่มีเงินเราจะเราจะทำยังไงเราจะอยู่เฉยเฉยได้ไหม <urun. S 1> เราจะทนอยู่ได้สาวเราจะทนอยู่ไม่ได้ แต่ถ้าเราไม่ไ ม, ไม่ไม่ยึดไม่ติดกําเนินทองเราอยู่ตามภาษาของเราเราก็อยู่ได้ตามมีตามเกิดคนที่รวยนี่ถึงทุกข์มากกว่าคนที่จนทุกข์ที่ว่ากลัวความจนกลัวจะจนแต่คนจนนี้มันไม่มีมันไม่กลัวความจนเพราะมันอยู่กับความจนมาตลอดเวลาคนจนก็ทุกข์ตรงที่อยากจะรวยทนั้นเองแต่คนรวยกับทุกข์เพราะ อยากจะจนแล้วก็ทุกขอยากจะรวยกวเก่าๆอีกทุกทั้งสองด้านเลยทุกทั้งขึ้นทุกทั้งลงโดยเรายังอยากจะรวยกว่านี้อยูแล้วก็กลัวจะจนนี่เห็นความทุกข์แล้เนี่ยพูดอย่างนี้คงจเห็นนะงั้นอย่าไปอย่าไปอยากรวยอย่าไปกลัวจนขอให้เราพอมีพอกินก็ใช้ได้ เหมือนกับพระมีพอมีพ อ, พอกินไปวันวันก็พอแล้วถ้าตาบได้เราอยู่ได้กับปจัจจัยสีถ้าเรามีอยู่นี้ก็ขอให้เราพอใจแล้วอย่าไปเสียเวลากับการหาเงินหาทองหรือรักษาเงินรักษาทองให้มารักษาใจเราดีกว่า้ดยการหาธรรมะ้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติด้วยด้วยการปฏิเวทพอได้ปฏิเวทแล้วใจของเราจะ ปลอดภัยจากทุกทุกทุกประการทุกภัยต่างๆที่เกิดจากกิเลสตัณหาจะไม่มีเพราะไม่มีกิเลสตัณหาลงหลืออยู่ในใจอยู่ตรงนี้ความสำคัญอยู่ตรงนี้อยู่ที่ใจที่จะอานตอยสุดที่ได้ชาระความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจา ก, จ, จ, ากจิตจใจแล้วเท่านั้นภารกิจอย่างอืงอ่นนั้นไม่สำคัญ มีแต่เพราะมันไม่สามารถทําระจิตไมส่สามารถทําชำระจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ช่องการปฏิบัติจิตของพระศาสนาคือปริยัติปฏิบัติปฏิเวชนี้เท่านั้นที่จะทําได้ดังนั้นถ้าเราพอมีพอจิตแล้วเราควรที่จะหันมาปฏิบัติจิตของพระศาสนาให้เพิ่มมากขึ้นใจจะดีกว่าจะได้ไม่เสียชาติเกิด เพราะมนุษย์นี้เป็นชาติเดียวทั้งนั้นที่จะปฏิบัติจกิดตาอขณได้แล้วก็ต้องเป็นในยุในขณะที่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ด้วยต้องมีสวาสขค้าโตพระกตาธรรมโมโดยเป็นการอนุญาติธรรมนำทางเราถ้าไม่มีก็จะปฏิบัติแบบผิดๆทุกๆุกก็จะไม่สามารถที่จะบรรลุถึงผลที่ถูกต้องได้ ดังนั้นพวกเรานีถือว่าโชคดีเป็นบุญเป็นวาสนาที่ได้มาเป็นมนุษย์ในขณะที่ยังมีสว่าขค้าตัวโกาสทามโน้ถ้าเราไม่รีบตัดตัวโอกาสนี้มันก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรเป็นเรื่องของของเราที่จะต้องพิจรารณาและตัดสินใจเราเองโอกาสอย่างนี้มันจะมีไม่มากการจ้างตกลับมาเกิด น, นล้มาเจอพระพุทธศาสนาป้อมท้องกันนี่มั น, ม, นมันมีไม่มากมันยากดังในดั ง, ง mm hmm. ทนธรรมที่ท่านแสดงว่ามีสิ่งที่ยากอยู่สี่ชนิดด้วยกันคือการปรากฏของพระพุทธเจ้านี้เป็นสิ่งที่ยากการได้เกิดเป็นมนุษก็เป็นสิ่งที่ยากการที่ได้ศึกษาปฏิบัติธรรมก็เป็นสิ่งที่ยาก และการดำรงชีวิตอยู่ก็เป็นสิ่งกิาตอนนี้พวกเราก็ถือว่ามีครบทั้งสี่ส่วนนะสิ่งที่ยากเป็นมนุษย์ได้พบพระธรรมคำสอนได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้มีชีวิตอยู่ยังไม่ตายพยูอ ง, ง่ายนก็ยังมีชีวิตอยู่ยังหายใจอยู่สิ่งที่ขาดตอนนี้ก็คือการปฏิบัติเท่า น, นั้นเองคือปฏิบัติให้มากขึ้นศึกษาให้มากขึ้น ตอนนี้ก็ศึกษาปฏิบัติอยู่แต่เดินละครั้งนี่มันรู้สึกว่ามั น, นมันน้อยมากถ้ากินข้าวเดินละครั้งนี่เป็นยังไง <Okay. S 1> ทำไมไม่ไม่ศึกษาปฏิบัติเหมือนกับเรากินข้าวเรากินข้าววันละสามครั้งสามมือเราหน้าจะศึกษาปฏิบัติวันละสามรอบรอบเช้ารอบกลางวันรอบเย็นรอบละชั่วโมงสองชั่วโมงดูหมอหนักง่าย ต้องต้องต้องอย่างนั Ahhh, ้นสิร่างกายมันอยู่ได้เพราะเราเลี้ยงดูมันอย่างดีแต่ใจเราไม่จ่าเพราะว่าเราไม่ชำระมันเหมือนกับเราเลี้ยงดูร่างกายถ้าเราเลี้ยงดูเราเราชำระใจของเราเหมือนกับเราเลี้ยงดูร่างกายใจของเราจะสะอาดกว่านี้เยอะ จะมีความสุขมากกว่านี้เยอะฉันั้นก็ก็ขอให้เราจงเอาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนี้ไป พ, พิจารณาและปฏิบัติตามแต่ที่จะเห็นว่าควรกันลวกันงนเขียนงานต่อไป คุณไม่มีแต่หัวกะทิเท่านั้นเลยกสาว ม, มาบ้างไม่มาบ้างพวกหัวนี่ ม, มาไระทำ ผมก็ที่หมายถสีขาวอ่ะนะที่สีขาวไพวกข็มข้นแขไปเลาให้ท่านอาจารย์ฟังเด็กเดี๋ยลให้ท่านอาจารย์ฟังคืเรียนอาจารย์เลยนะทานมันลงตับจอดที่สถานีนะคะเป็นสาะแดงแล้วก็ยินเข้ามาเลยอ ก็ถือว mm ่าเป็นการเสนอเคาะไปแล้วกนเป็นการทดสอบจิตใจเราก็ได้รายละเอียดอะไต้องรายละเอียดอไม่สนใจเราสนใจที่ใจมากกว่าว่าเป็นไดีหรือเปล่าแล้วฟุตโตสติปัญญาตอนนั้นเป็นยังไงตอนบก็พุโต้เนี่ยเคิดว่าเอ๊ะตตายแล้วเไม่ตรงเลยว่าตายเป็นตายนะแต่พุตโตะ ก็ยังอยู่แค่สมาธิเลยก้มลงดูเอ๊ะเราถือถุงขนมอยู่ในเงี้ยยอมปล่อยจะได้ขนม้ตอนนั่งตุ๊กตุ๊กไปเขาหนีไปแล้วไปเจอตุ๊กๆุ๊กตุ๊กตพาไปคลองเตยพอลงแล้ว เขาเอาเงินก็ถามตุ๊กตุ๊กใส่ตุ๊กตุ๊กบอกเ็ดสิบเขาบกให้สองร้อยอะไช่วยชีวิตเไว้ตุบไม่ป้าเสียงสั่อย่างเงี้ยเจอของจริงมัอย่างเงี้ยตอนที่เราฟังตอนที่เราพิจารณานี้เป็นการทํากานบ้านครังเวลาไปเจอของจริงเนี่ยมันถึงจะรู้ว่าใจเราเป็นยังไงแต่เราผ่านนี้ไม่ผ่าน ถ้าผ่านน้ำต้องเป็นเหมือนน้ำนี่ยังไม่ไม่มไมไมกระเพิ่มนี่เหมือนกันหน้ำวชชกเหลืออยู่ในเจ้ารู้เปล่าขวัญก็เจะวขวัญหายเลยนะ อ, อะไอคนทั้งงาวิ่งช้าหัว่วิ่งช้ากันๆๆๆๆๆ ก็ถ้าเราพิจารอยู่เรืย่ยว่าไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นธาตุสีต่นั้นก็บอกว่ามันก็เป็นธาตุสีมันก็เป่าไปน้ดพันก็พันไปตายก็ตายไปเกิปกติถ้าเป็นพิเศษอย่างนี้จะพุทโธพุทโธสมองถ้าพุทโธมันก็เป็นสมรรถที่ น, นั่นเองเป็นข่มุงใจไว้ไม่ให้ไปไปคิดกลัวแต่มันไม่ได้เป็นตัญยา ถ้าไม่เป็นปัญญาไม่ต้องบอกว่าร่งกายไม่มีตัวเราของเรตตตอตายเป็นตามม <c oughs> ันต้องตายแน่ๆถึงเวลาแล้วเหรออว่าไปก็ไปถึงเวลาแล้วหรือว่าจะไม่ไปถ้าเราไม่เตรียมไว้ก่อนมันไม่มันไม่มัน ม, มันก็ไม่คิดอย่างนี้แต่ถ้าเราเตรียมไว้ว่าถึงเวลาแล้วหรือว่ายเลยไปเลยเล ย, ยอมไปเลย แล้วก็คิดว่าตายตายแต่วิ่งหนีสชีวิต้มันมันมันค้างกันความคิดกับความจริงมันค้างกันแถ้าจะพูดในความที่ว่ารู้หลบเป็นสีรู้หลีเป็นหาย้จอันนั้นมันก็อยู่ที่อยู่ที่ใจเป็นหลักกันว่าใจ ใจใจไม่วุ่นวายใจไม่เดือดร้อนถ้าใจไม่เดือดร้อนแล้ว เ, เป็นการหลบเพื่อการเ ป, เป็นการรักษาไปใจไม่ได้รักษาเพราะว่ากลัวหรือเพราะอยากจะอยู่ต่อไปก็ไม่เป็นไรเ้าใจนะไจะมแต่ถ้าว่าแต่ถ้ารู้หลบเป็นรู้หลบเป็นเปรียกรู้หลีกลเป็นหางหเพื่อเว่าเขายังกลัวเขา ย, ยังเสียดายอย่างนี้ก็จำแนม่ช้ไม่ได้ มันต่างกันอยู่ที่ใจต่างกันที่ใจแต่ไม่ใช่เพื่อความกลัวแต่เพื่อรุ้นจากรักษาชีวิตตนเพื่อให้รอดที่จะได้เข้ามาตอนนี้พบใช่ของมึงด้วยไหมคะก็แสดงว่ายังไม่สอบนะก็ก็ตามปฏิบัติก็เพื่อจะให้มาถึงจุดนี้เมื่อถึงจุดนี้แล้วจะไปหนีมันทําไมก็ต้องการจะเข้าห้องสอบตรงนี้อยู่แล้วถ้ายังจะหนีก็แสดงว่ายังไม่พร้อมที่จะเข้าห้องสอบรู้หลบอเปล่าใช่ไหม ขอผัดไว้ก่อนข อ, ขอเรื่องไปก่อนขอไปเข้าห้องสอบกันต่อไปถ้าพร้อมจะเข้าห้องสอบก็เอาไปในตรงนั้นเลย ด, ด, ดูดาดูแดงดันเลยจับใบ ด, ดาใบแดนเลยอินดวงอยู่ตรงนี้ิดว่ารอดกอดไม่รอดมีอะไรอย่างงี้จะคอย่างนอย่างนเป็นคฤษฎลยแต่ถ้า คือถ้ามันปล่อยได้แล้วมันทํางานก็ได้มันจะมันจะรักษาก็ได้ไม่รักษาก็ได้แต่ถ้ามันยังไม่ปล่อยนี่มันยังไงงานมันก็ต้องรักษามันไม่มีออปชันถ้ายังไม่ปล่อยนี่มันไม่มีทางเลือกมันจะต้องรักษาอย่างเดียวมันต้องต้องวิจัอย่างเดียวแต่ถ้ามันปล่อยได้แล้วมันเรื่อมได้จะรักษาก็ได้ไมะรักษาก็ได้ไม่เข้าวุ่นแล้วแต่เหตุการณ์ครับแแล้วต่ อย่างคบาจารย์่นจะหาหมอก็ได้ไม่หาหมอก็ได้ถ้าท่าน oh. ถ้าท่านไม่มีอะไรกับมันนะแต่ถ้ายังมีอะไรกับมันอยู่ยังไงยังไงก็ต้องรักษาใช่ไหมเพราะมันอยู่ที่ระดับที่เราอยู่ตรงไห น, นเราอยู่จุดไหนเราผ่านมันหรือย่างถ้าเรายังไม่ผ่านเราก็ยังยังจะต้องมีพ่อแม่จะต้องดูแลรักษาแนละ้ก็จะอ้างเยจะ ต่างๆนันนะแต่ถ้าผ่านจุดนั้นไปแล้วมั น, ม, นมันยังไงก็ได้จะรักษาก็ได้ไม่รักษาก็ได้แล้วก็ไม่ไปไม่ต้องแปลอธิบายให้คนหนึ่งฟังไม่สนใจคนอื่งเขาจะว่าเรายังไงก็ไม่สนใจเราดุงอยู่ภายในของเราว่าเรารักษาเพื่ออะไรหรือไม่รักษาเพื่ออะไรคนหนึ่นจะมาบอกอ้าวยังยึดยังติดอยู่นะยึดเขาว่าไปแต่เรารู้ว่าเรายึดนึกเรายึดรือไม่ยึดนึกเราดูอยู่แก่ใจของเรา เราไม่ต้องเป็นจะต้องไปไปเคลียร์กับเขาไปอธิบายก็สังว่า เ, ออเราทํานี้เพราะเห็นนั้นเพราะเห็ุนี้นัน่นเรื่องของเราใจของเราอ่ะเี่เราจะทําอะไรกับร่างกายของเราเป็เรื่องของเราข้อสําคัญก็คือขอให้มันปล่อยให้ได้ก่อนพอปล่อยได้ครั้งเดียวแล้วต่อไปมันก็ไม่เป็นปัญหาเลย ถ้ายังฝอยไม่ได้มันก็ยังยึดเพราเพราะเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาปั๊มเนี่ยปัญญามันจะไม่ทันในตัวนี้มันมันเหมือนจะเป็นนักวิ่งสองคนวิ่งเข้าสู่หลักใครกิเหลสจะทำใครจะเร็วกว่าทำทำนั้นเองเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นถ้าทําเร็วกว่าใจก็นิ่งถ้ากิเหลสเร็วกว่าใจก็สัน่น <c oughs> ที่ได้ฝึกก็ฝึกให้ให้ปัญญาให้มันเร็วขึ้นอยู่กับครูบาอาจารย์นี้ท่านคอยจี้คอยเร่งอยู่เรื่อยๆให้จิตมันให้จิตให้ปัญญาทํางานเหมือนเตี้วเลยให้เร็วขึ้นให้เร็วขึ้นโดยธรรมชาติของปัญญามันจะเฉื่อยชาแต่เริ่มต้นนี้เฉื่ยชามากต้องอาศัยการกระตุ้นของครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ที่ท่านเก่งทางปัญญานี้ท่านจะกระตุ้นลูกศิษยทางด้านนี้ คอยข่มค อ, อยขู่คอยที่คอ ย, ยอะไรอยู่ตลอดเลยนะใหม่ๆอยู่กระทั่งก็มือสั่นใจสั่นอยู่เลยแต่พอปัญญามันเริ่มเร็วขึ้นเริ่มเร็วขึ้นมันก็สั่นน้อยลงสั่นน้อยลงจนต่อไปมันนิ่งก็ได้ประโยชน์จากการที่อยู่กูบ้บาใจที่คอยข่มขู่คอยที่ แต่คนที่ปราต่อนก็อยู่ไม่ได้บบาอย่นี้กันเยอะอยู่นทนไม่ไหวนับไม่ได้ <c oughs> ถ้าจเจอเลยที่ว่ากิเลสมันดื้อตรงไม่ยอมใจไม่ยอมทำยังไงดีจะพ่ต้องสู้ ก, กับมันต้องอรมาร์อดข้าวอดข้าวเจ็วันอย่าพระเจ้าสี่สิเก้าวันมันถึงมันถึงไม่ดื้อ พอดสี่เก้าวันแล้วพอมานั่งให้นั่งทั้งคืนมันก็ไม่ลุกมันก็ไม่มามันไม่เข้ามาไม่มาดื้อหมดข้าวมันทําให้เกลียดออกแรงลงไปเยอะเลยกล้ามท่านหายที่จะอ่อนลงไปเยอะเลยภาวะท่านหาวิภวต่านหาต่างนี่มันจะอ่อนลงไปหมดมันจะไม่แข็งก้าเหมือนกับเวลาได้กินข้าว เวลาไปกินข้าวอีกมนให้มันดือ้อฉะน้นเรียงมันเข้าทางยยงกลมมแม่ขอนก่อนคือดมน้อย่างเดียวใช่มมันก็อยู่ที่ระดับของการแบบาบางท่านมันก็อยู่ในสถานที่ด้วยถ้าท่านอยู่ทุ่โดงคนเดียวแล้วท่านไม่ได้ไปบินต บ, บาดก็มีแต่น้ำดื่มอย่างเดียวแต่ถ้าอยู่ที่วัดบางทีท่า น, นก็มีนมบ้าง บางทีตอนบ่ายก็จะมีน้ำชากาแฟน้ำตาลน้ำอ้อยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับรังท่านของผู้ที่จะอดว่าจะมีความเขมงวดขวดขันกับตนเองมากน้อยเพียงไรเขาว่าอดสมัยถึงว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่ฉันอาหารคือไม่ออกบินทบายนั่รับอาหารอย่างพวกอ้หารเสริ ม, มี้ถ้ามี ม, า ม, มีกะทำมิกสงกาเอามาฝาก เช่นนมเอามากรองหนึ่งอะไรอย่างนี้ต้องเตรียท่านกระชังได้บางบายนี้ครเอาน้ํำพึ่งมาให้ดื่มหรือน้ําผลไม้มาให้ดื่มถ้าอยากจะดื่มก็ดื่มได้ถ้าไม่อยากจะดื่มก็ไม่ดื่มก็ได้อันนี้มันขึ้นอยู่กับแต่ละท่านว่าจะจะเอาเอาหนักเอาบาขนาดไหนแต่มันช่วยได้มันช่วยทําให้การภาวนานง่ายง่ายขึ้นเดินรงกรม ง, ง่ายขึ้น นั่งสมาธิก็ไม่ง่วงเหนื่หานนอนความภาพเพียนก็มีมากขึ้นความเกลียดข้าก็มีน้อยลงความเห็นภัยมันก็มีมากขึ้นสติสตางก็ดีขึ้นเพราะว่ามันต้องคอยควบคุมใจยิ่งแล้วปวอาหารที่ใจมันจะปรุงแต่งมาทำอาหารอยู่เลยก็เลยต้องคอยดึงมันให้อยู่กับพุโทโธก็ไดถถ้ถ้าเรายอย า, ากพิจารณาไม่ได้ก็ดึงให้มันอยู่กับพุโทโธ ถ้าเราพิจารณาเป็นก็พิจารณาอาหารเลยปฏิคูณรักษาอยากันะพิจารณาดูสภาพของอาหารที่อยู่ในปากที่อยู่ในท้องอย่างนี้มันก็จะหายหายอยากหายหิวแต่ถ้าไม่มีปัญญาไม่มีสติไม่มีสมาธิมันก็ทนอดไม่ได้เพราะมันจะเห็นแต่อาหารรออยู่ใน <c oughs> ในใจอยู่ตลอดเลย แต่ถ้ามีสติพอที่จะควบคุมได้มันก็จะบงังคับให้เราภาวนาต้องถ้าไม่พุโทโธก็ต้องพิจารณาเลยถ้ามันพิจารณาได้ต่อไปมันก็จะไม่ไม่มีปัญหาเรื่องอาหารเกี่ยวกับความอยากอาหารนี้ต่อไปมันจะกินอาหาตามความจําเป็นของร่างกายครับแล้วมันจะใช้วิธีการอดอาหารนี้เป็นเป็นแนวทางของการปฏิบัติจะไม่ไม่ฉันตามปกติ เพรเวาฉันวัไหตอนฉันวันที่ออกมาฉันนี้วันนั้นมันจะขี้เกียจเลยจะเห็นความความแตกต่างกันแล้วถ้าอยู่ในวัด น, นี่การอดอาหารมันก็ช่วยได้ยานคือมันทําให้เราปลุกวิเวกได้เราไม่ต้องไปทําเกตร่วมกับหมูคณะนะที่ต้องออกไปบินตบายต้องมาทำเกตที่สารากว่าจะเป็นก็หมดไปสี่ถึงชั่วโมงสาสี่ชั่วโมงตอนนั้นเราก็สามารถที่จะนั่งจงของนั่งสมาธิ ของเราได้อย่างสบายดีตามตรงทางในที่พักของเราเปอนการปนการหลดายนี่ถ้าถูกเจลิแล้วก็จะเป็นเครื่องมือที่ดีจะจะจะจ ะ, จ ะ, จ ะ, จ ะ, จะใช้เป็นเป็นอาวุธคู่กายใช้ไปจนกว่าจะไม่มีความจาเป็นที่จะต้องใช้ทอดต่อไป mm hmm. แต่ถ้าไม่ถูกเจริญนี้ท่านก็ว่าอดไม่ได้อดเล้ เคียดมีอดแล้วปรุงสร้างคิดปรุงแต่งแต่เรื่องอาหารอยู่ตลอดเลยไม่ภาวนาแต่าถ้าอดอาหารแล้วมันมันรู้ว่าถ้าไม่ภาวนามันพอันเพอมมันก็จะคิดถึงไม่อาหารมันก็จะหิวมันก็จะถุดก็จะขยันทอนนั่งสมาธิเจ็บลุกขึ้นมาก็เดินโจงคมตอถ้าคอ คอยดูจิตคอยควบคุมจิตไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องหาหารจใช้บ่อยการพุดโธก็ยากจะมีสติอยู่กับการเดินก็ได้หรือจะพิจารณาทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้ถ้าสีดีนน้ำลมไฟเกิดแกเ่เจ็บตายอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือจะพิจาสณาหารดูประกูนัสััญญาก็เปลี่ยนไปได้ตามอัธยาศัยถ้าใจอยู่กับธรรมมันก็จะค่อยจเจริญขึ้นไปเรื่อย พอพิจารณาจะรู้สึกว่าจิตเริ่มเริ่มไม่สงบแล้วก็หยุดกลับไปนั่งสมาธิใหม่พุโทโธพุธโทโธใหม่ม่ดูลมหายใจใหม่พักจิตพอจิตสงบความหิวความเหนืยของทางาร่างการก็หายไปพอจิตนี้ออกมาจากสมาธิคือกระป้กระป๋ามีมกาลังวางชาก็ อ, ออกเดิทงทุกงต่อมันก็จะปฏิบัติอย่างต่อเนื่องพ่า ไม่ต้องไปทํากิจอย่างเดี้กิจอย่างเดียวที่ต้องทําก็คือปัดกวาดปัดกวาดแล้วก็ปัดกวาไปแล้วก็ภาวนาไปได้ัดกวาดไปแล้วก็เหมือนเดินจงกรมไปพุทโธพุทโธไปหรือพิจารณารรมไปแต่ถ้าเวลาไปคุกคีกับหมู่คณะแล้วเดี๋ยวมันมาแล้วพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้มันไปแล้วจิตมังพุ้งแล้พอกลับมาอยู่คนเดียวนี่มันยังฟุ้งอย่ยังคิดต่ออยู่ ภาวนาไม่ไลงถ้าเผลอจะติดทนไม่ไหวเดี๋ยวต้องไปหาของกินมากินนะแต่ถ้าถ้ามีสติคุมจิตอยู่ตลอดเวลาภาวนาอยู่ตลอดเวลามันจะเลี่ยงเรื่องกินเลยมันจะอยู่กับการภาวนาอย่างเดียวใจได้อาหารแนละ้วมันมันไม่สําคัญลนะเรื่องของร่างกายถ้าใจอิ่มแล้วความอยู่มของร่างกายนี้จะไม่มีน้ําหนัก ที่จะมากระทบกระเทือนกับความอิ่มของใจแต่ถ้าใจนี้หิวถึงแม่ร่างกายจะอิ่มมันก็ยังมากระทบกระเทือนได้มันก็ยังอยากจะกินนะ ท, ท, ทั้งๆที่ร่างกายเพิ่งกินอะไรไปเสร็จใหม่ยเยอะๆก็ยังเลือกอยากจะเดื่มนั่นเดืยวนี้ต่อคิ้วอย่างนั้นอย่างนี้ต่อเพราะใจมันไม่อิ่มใจมันไม่ได้อาหารไม่ได้ธรรมะ นั่นจึงไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกสำหรับผู้ที่ภาวนาผู้ที่ปฏิบัติที่จะอดอาหารครั้งละหลายหลายวันแล้วคนที่ไม่เคยภาวนาจะคิดแล้วมันจะอยู่ได้ยังไงถ้าหลายวันจริงๆท่านก็อาจจะมีของอย่างหนึ่งบ้าง น, านะน้ำตาลน้ําตาลองค์บ้างอะไรเงี้ยเพื่อให้มีกาลังบ้างแต่มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องสําคัญเพราะครูบาอาจารย์ที่ท่านไม่มีน้ําตาลไม่มีอะไรท่านก็อดกัน ในป่าแลา้วท่านปเป็นทุ่งเด็กม่เวงอยู่องเดียวท่านก็บอกท่านก็อดอาหารอดจาานกระทั่งวางทีชาวบาว้านเคี่ยวตายแล้วยังไงไม่ได้ไปบินส บ, บายเราต้องมาดูที่พักดูว่าเป็นยังไงท่านก็ไม่มีอะไรติดตัวไปท่านก็ดื่มแต่น้ำอยู mm ่ hmm. แต่ตอนนั้นจิตของท่านไม่ได้จะสนใจกับเรื่องอาหารจิตของท่านอยู่กับธรรมตลอดเวลาเรายังคงนั่งสมาธิถ้าไม่พิจรารณาก็ เข้าสู่ความสจิตนี้นก็เลยจลเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆตามลำดับการติดเรื่อๆยๆจึงเป็นเรื่องสําคัญมากสําหรับผู้ที่มุ่งมั่นต่อการปฏิบัติเพื่อการหยุดพ้นถ้าไปคุกคีก็นี่มันจะเสียเวลาทันทีเพราะจิตมันจะเริ่มไปคิดทางด้านอื่นทันทีจะคุยเรื่องทางโลกกันที่ส่วนใหญ่แล้วก็พุ่งขึ้นมาตร้งแต่งเรื่อง ลูกเสียงเก่งนัอกันเจตเขาจะฟุ้งเขาจ ะ, ะ, จะสนุกยากแต่ถ้าอยู่คนเดียวก็ไม่มีเรื่องอะไรที่จะมามามาเดินไปถ้าเราอยู่กับธรรมอยู่แล้วมันก็จะอยู่กับธรรมอย่างต่อเนี่มันก็จะเห็นภาพชัดขึ้นไปเรื่อยๆเดินหน้าลงไปก็จะเห็นชัดขึ้น อ, อสุภะอสุภังก็จะเห็นชัดขึ้นที่เห็นชัดก็หมายความว่าม่เห็นต่อเนื่อง มันเห็นอยู่เรื่อยๆมองอะไรมันก็จะเห็นเป็นถ้ามองอะไรก็จะเห็นเป็นอสุภะมัจ น, นกระทั่งมันติดตาติดใจพอมันจำเป็นไปเห็นในส่วนที่มันเป็นตัวเราของเราหรือว่าสวยว่างามมันก็จะถูกไอธรรมะที่มันเห็นอย่างชัดนี้มามาลบออกไปทันทีถ้าอย่างนั้นกี่เด หรืออวิชชาความหลงโม history, Works, หะความหลงมันจะอยู่ในใจได้ยังไงมันอยู่ได้เพราะว่าเราเลี้ยงมาเราชอบคิดแต่เรื่องของของของความไม่จริงความจริงเราไม่คิดกันเราคิดถึงความสวยความงามนี้ก็เท่ากับเลี้ยงโมหะอวิชชาเนาะเราคิดถึงตัวเราของเรานี่แล้วก็เท่ากับเรากําลังเลี้ยงโมหะเลี้ยงอวิชชานะเลี้ยงความมืดปอดเลี้ยงความหลงของเราแต่ถ้าเราคิดถึง อักตตาไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นอสุภะเป็นปฏิณกอันนี้เราเป็นความจริงอันนี้เราจะเป็นตัวที่จะไะทําลายความหลงความมืดบอดที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปไม่มีทางหรือมีทางนีทง้ทางเดียวเนะท่านั้นไม่ปัดสัญญาหรือปัญญาแต่มันต้องมีสมาธิมันถึงจะสามารถทําได้อย่างต่อเ น, นื่องแล้วก็ต้องมีสติ ถ้าไม่มีสติมันก็จะไม่มันก็จะไม่สงบแล้วมันไม่ไม่สงบกิเลสมันก็จะมีกำลังมากกว่ามันก็จะจุดร่างให้ไปคิดในเรื่องของทางลกคิดถึงลูกคิดถึงตัวเราคิดถึงสามีคิดถึงภรรยาคิดถึงสมบัติข้าวของเงินทองคิดอยู่อย่างนั้นอ่ะมันก็ต้องอยู่ยุ่งอยู่กับเรื่องราวเหล่านี้มันก็เท่ากับเลี้ยงกิเลสให้มีอายุต่อยุ่ยให้กิเลสต่อยุ่ยให้โมหะความหลยให้มีอายุยืนยาวงานขึ้น เพื่อที่จะมาครอบครองจิตใจของเราต่อไปแต่ถ้าเราคิดในทางปัญญานี้มันก็ทั้ง ต, ตัดอายุมันตัดตัดชีวิตของมันให้ัานลงไปเรื่ๆให้ั้นลงไปเรื่อยๆจนหมดไปในที่สุดสติปัญญาสมาธิเนี่ยเป็นธรรมที่เกี่ยวเนื่อกันแล้วก็มีศรัทธากับวิริยะเป็นตัวสมบูรณต้องมีสัททานในคำสอนขอ ง, ของพระพุทธเจ้าศึกษา แล้วก็ปฏิบัติตามโดยเยียยาความอดสาหะความภาคเพียงปฏิบัติอะไรก็ปฏิบัติส ต, ติสมาธิและปัญญานีน่ยาตัวนี้ถ้ามีสา ม, ม, ามตัวนี้ก็จะมีมิมุติตามมามีการหลุจทนตามมาเขามันตายตัวเป็นเป็นสูตรตายตัวมีมาตั้แต่สมัยพระพุทธการใครปฏิบัติตามสูตรนี้รทดลองได้ก็จะตั้งได้ของอย่างนั้น เมื่ออย่างนั้นจะจะไม่ประกอบมีพระอริยสงฆ์ชาวโลกมีมาเป็นยุคเป็นเป็นสมัยสองเรื่กันมาจนเป็นสมัยปัจจุบันเพราะธรรมะเป็นอาการวิโกเป็นเป็นคําสอนที่ตายตัวไม่เสือเ่อมไปตามการตามเวลาสมัยก็พิจารณาปฏิบัติกันอย่างไรสมัยนี้ปฏิบัติอย่างนั้นก็จะได้ผลเหมือนกันไม่มีความแตกต่าง อยู่ที่มันไม่ปฏิบัติกันนั่นแหละหรือปฏิบัติเพียงแค่เดือนละครั้งแล้วก็บอกปฏิบัติมากแนละ้วไม่ก้าวหน้าเลยทำไมไม่ก้าวหน้าเลยปฏิบัติมาต้องนานแนละ้วใช่ถึงุ น, นานอย่เดือนละครั้งปฏิบัติมาตั้งห้าปีแล้ว <c oughs> ปฏิบัติร้อยปีมันก็ไม่ก้าวหน้าอาการค่ะปฏิบัติ อยาก ท, ทําที่อยากถูกจับตามที่ท่านอาจารย์สอนนะคะแลก็ อ, อยากเป็นอย่างที่ท่านอาจารย์เป็นนะคะแต่บรราคมัไม่ได้ก็ีไม่ทราบว่าทอาจารย์มีแรงประดานใจเยี้งไรครับไม่มีหรอกก็มีแต่ความพยายามนี่แหละความที่เกลียอความพยายามน่ะกำหนดตารางไว้เสิบังคับตัวเราให้ทำตามตารางตอนต้นก็กําหนดอย่างน้อยไปหามาก วันหนึ่งเช้าเย็นเอาสักวันเอาชั่วโมองก่อนแล้วต่อมาก็เพิ่มเป็นสองชั่วโมองก็ได้หรือเพิ่มสามเป็นสามรอบจับสองรอบก็เป็นสามรอบ ถ, ถ้าเราปล่อยวางได้มากเราก็จะเพิ่มได้มากเราต้องปล่อยภารกิจทางอื่นไปด้วยไม่ใช่รับพี่เสียดายน้องไม่ได้ต้อเอาพี่อย่าไปเอาน้อง ก็นี่แหละบันก็ขยันแล้วก็ความเชื่อว่าเนี่ยถ้าเราปฏิบัติมากมันก็ได้ผลมากถ้าเราปฏิบัติน้อยมันก็ได้ผลน้อยคื อ, ค, อคือเชื่อว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงสั่สอนนี่มีจริงและอยู่ในความสามารถของเราของทุกทุกคนดนฉงนั้นพระพุทธเจ้าจึงเสียเวามาสอนพวกเราถึงแต่พวกเราไม่มีความเชื่อมั่นในคาําสอนของท่านหรือไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเรา เราประมาทในตัวเราเราประมาทในคําสอนของพระพุทธเจ้าเราจรึงไม่มีความอิจฉาหา่างท่าเพียงที่จะปฏิบัติตา่างเรายังถูกกิเลสเหล่าว่าเอเราไม่มีปัญญาพอไม่มีปารามิภพอมันก็หลอกเราไปเรื่อยๆถ้าเราถ้าเรายัางคิดอย่างนี้อยู่เอกสิทชาติแล้วก็มันก็จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราเปลี่ยนว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนอความจริง เราก็สามารถปฏิบัติตามาได้ขอให้เราทำจริงๆเถอเท่านั้นเอง<า>ครับเราเสร็จแล้วอย่างเวลาที่เราปรฏิบัตินะค ะ, ะพอเราทำสมาธิันกระทั่งเรารู้สึกว่านิ่งน ะ, ะแล้วเราก็พิจารณา อ, อาการทีสอง จำจองน้ำอะไรตรกนี้ด้วยนาระภาระภาพภาพไปภาพลงบนอะไรอยางนี้ค่ะนะคะพอพิจารณาแล้วเนี่ยเราเราก็ดูว่าถาจเกิดถูกไหมว่าภาวนาต่อจากตรงนั้นเสร็จแล้วเราก็จะรู้สึกอืมอาการของจิตเนี่ยมันจะ สลดสับเบสแล้วก็เราก็ร <ừ. S 2> ้องไห้แบบเกือบทุกครั้งแ <ừ> บบนี้เนี่ยว่าจิตเราเศ้าหมองหรือเปล่าคะไม่หรอก ม, อมันดับจริตความจริงปฏิบัตินี้เราต้องการที่จะถ้าถ้าอยากจะเห็นผลนี้จริงต้องอย่างที่พูดเมื่อกี้นี่ว่า <c oughs> เวลาที่ร่างกายมันเป็นอะไรแล้ว เ, เราปล่อยมันได้าอันนั้นหละถึงจะเป็น เป็นเป็นผลที่จริงเวลาที่มารู้สึกอะไรนี่แต่มันยังยึงยดตุดอยู่มันก็เป็นเหมือนกับมันหลอกเราหมือนมันดับจริคนะขออภัยนะถ้าพูดอย่างนั้นแต่ความจริงมาแล้วว่าสิ่งที่เราพิจนารณาเพื่อที่จะให้มันปล่อยวางให้ได้ให้มันไม่มีความรู้สึกอะไรกับสิ่งนั้นเลยให้มันสลับออกไปจัดใจเหมือนโยนทิ้งไปเลยโยนทิ้งทั้งขยะไปเลย เราต้องทำาังไงต่อไปคะก็พิจารณาไปเรื่อยๆแล้วก็พยายามไปหาไปสร้างเหตุการ์ที่จะทำให้มันเกิดความความที่เราจะต้องตัดสินใจว่าเรายังยึดมันเรายังติดมันอยู่หรือเปล่าเราปล่อยมันได้หรือเปล่าในตอนที่เราเป็นเพียงเป็นการทำการบ้านอยู่เราซ้อมอยู่เรายังไม่ได้ข um> ึ้นเวทีจริง ถ้าเราคิดว่าเราพร้อมแล้วเหมือนนักมวยเราพร้อมมาเต็มที่แล้วเราพร้อมที่จะขึ้นไปชิงเข็มขัดแล้วเราก็ขึ้นไปบนเวทีไปหากู่ต่อสู้กู่ต่อชื่อก็คือความกลัวเนี่ยความกลัวตายไปหาที่ที่มันจะให้เกิดความกลัวตายขึ้นมาแล้วก็สู้กับมันดูหรือว่ามันจะดับหรือเราจะดับถ้าเราถ้าเราดับก็คกือเราปฏิแต่ ก็ไม่อาจจะไม่สติตแต่อาจจะใจสั่งคัอนหายไปก็แสดงว่ายังยังยังดับเขาไม่ได้ถ้าดับเขาได้แล้วเราก็จะเฉยเราจะยิ้นจะมีความสุขพระอาจารย์ะแล้วบางทีเวลาที่เราปฏิบัติอยู่จิตนิ้มนะคะเออมันก็จะมีแบบอารมณ์ที่มันแบบว่าเป็นสัญญาที่เศร้าหมองเข้ามา แต่ว่าเนื่องจากิตนิ่งเราก็เลยเห็นว่ามันมันอารมณ์กับจิตมันไม่ได้แนบกันมันมันดูดูอยู่นะคะแล้วเราก็ดูมันดับดูดูเกิดดับนะคพระอาจารย์อันนี้ว่าเออ่ถ้าเราก็เห็นมันเกิดดับแล้วเดี๋ยวมันก็จะกลับมาใหม่อีกแล้วก็ดูมันอีกอย่างเนี้ยถ้าสมมติเกิดเราตายตอนนั้นเนี่ยตอนที่เราดูความเจ้าหมอนี่จิตมันเป็นจะไปไหนล่ะ ในตอนนี้นมันจิตมันไม่สงบนะมันไม่จะเป็นสมาธิจิตนะอาจจะสงบหน่อยแต่มันยังไม่สงบเต็มที่ถ้ายังมีอารมณ์อยู่นี่เรายังไม่ถือว่าเป็นสมาธิจิตไม่สงบถ้ามันเศร้าหมอมันก็ไปดบบเศร้าหมองถ้ามันท่องใสมันก็ไปดบ่บท่องใสเนี่ยเป็นตัวอารมณ์นี้จะเป็นตัวพาไปจะไปจะไปดีก็ไม่ดีก็อยู่ที่อารมณ์ อาารถ้าแต่ถ้าเราจะดูเกิดดับมันนี่ล้ว เ, เราก็ต้องตามดูใช่มคะคุณ <c oughs> ่ือความจริงเราไม่ต้องดูมันถ้าเราทําสมาธิเราต้องไม่ต้องการให้มันดีเลยเราควรจะกลับมาบ ร, ริการรมต่อเรื่องอารมต่ออย่าไปดูถ้าดูแล้วมันก็จะมันก็จะเผลอล้ว จ, จะไม่ได้เป็นการทําสมาธิ <c oughs> นอกจากเวลาที่เราไม่อยู่ในสมาธิเราเราเห็นอารมณ์อย่างเนี้ย เห็นพอเห็นภาพอะไรขึ้นมาก็เกิดอารมณ์ไม่สบายใจขึ้นมาถ้าเรามีสติพอเราก็ควรจะพิจารณาระดับมันไปอยาให้มันส่วนขึ้นมาถามว่าทําไมเราต้องมีอารมณ์นี้กับภาพที่เราเห็นเราพิจารณาหาต้นเหตุถ้าหาหาเหตุพบเราก็คือเราไม่เห็นใจรักนั่นแหละเราอาจจะมีความรักความหวงความห่วงพอเห็นแล้วก็หมดที่จะห่วงไม่นานก็เกิดอารมณ์ เศ้าหมองขึ้นมาถ้าเรามีปัญญาลูกทันว่อไปห่วงอะไรไปห่วงอะไรเดี๋ยวก็ต้องตายด้วยกันทุกคนมันก็จะหายเศร้าหมองได้มีถ้านในในในกรณีถ้าเราจะพิจารณาต้องพิจารณาแบบนี้ต้องเอ า, า, าทุกสิ่งทุกอย่างอางที่ตายรักให้หมดต้องพิจารณาหเห็นว่าเขาเป็นใจรักไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นสภาวะธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไป ถ้าเราไปยึดไปติดเราก็จะเกิดความเศร้าหมองหรือเกิดความดีใจเสียใจตามมาเราต้องปล่อยวางรับถ้าจะพิจารณาต้องพิจารณาแบบนี้ตัวอารมณ์นี่เราพิจารณาไม่ได้เราก็รู้ว่ามันเกิดแต่เราต้องไปพิจารณาที่เหตุที่ทำให้มันเกิดอะไรทำให้มันเกิดเพื่อเราจะได้ดแบบับถ้าเราดับเหตุตัต่อไปมันจะไม่เกิด ความไม่สบายใจนี้จะไม่เกิดถ้าเราไปดักเหตที่ทําให้มันเกิดได้ที่เราไม่สบายใจเพราะเราไปคิดว่าเขาเป็นลูกเราเป็นสามีเราแต่ถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาก็าบอกเขาเป็นเพียงดินน้ําลมไฟเขาต้องเกิดแก่จิตตางเป็นธรรมดาที่เป็นเราเป็นลูกเราเป็นสามีเรานี่เป็นเพียงสมมติเท่านั้นเองมันไม่ได้เป็นความจริงความจริงก็คือเขาเป็นเพียงธาตุดินน้ําลมไฟที่จะต้องแต่ต้องแยกต้องจะลายดับไปในที่สุด ต้องเห็นความจริงต้องเห็นความจริงที่เหนือสมมุติเราไปเห็นแต่ความจริงของสมมุติเราไม่เห็นความจริงที่เป็นวิมุตติเราต้องเห็นความจริงที่เป็นวิมุตติจิตถึงจะวิมุตติได้ถึงจะหลุดพ้นได้ถ้าเห็นความจริงก็คือเห็นว่าเป็นธาตุสี่จิน้ำลมไฟเรียกว่าเป็นเห็นความจริงที่เป็นที่เหนือสมมุติที่ไม่ใช่สมมุติแต่เราชอบไปเห็นความจริงที่เป็นสมมุติ เห็นว่าเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเพื่อนเป็นอาจารย์เป็นลูกเป็นสามีเป็นภรรยาไม่เห็นว่าเป็นดินน้ำหุ่นไฟไม่เห็นว่าเป็นนิจังทุกขั้งนั้นตาพอคิดถึงเขาหรือเห็นเขาปั้มนี่ก็จะเกิดอารมณ์ขึ้นมาทันทีไม่รักก็ชังไม่ดีใจก็เสียใจหรือบางทีก็เฉยเฉยแต่ไม่ได้เฉยเฉยเพราะอดอยากเพราะว่ามีความรู้สึกเฉยเฉยกับเขา ไม่ได้รักไม่ได้ไม่ได้เกลียดเขามันก็เลยเฉยเฉยอันนี้ไม่ใช่อุเบกขาไม่ได้ปล่อยวางมันได้เกิดจากการปล่อยวางถ้าอุเบกขาเกิดจากการปล่อยวางก็งเห็นว่าเขาเป็นเพียงดินน้ํามูลไฟเกิดแก่เจ็บตาอันนี้จังทุกการอนัตตาแล้วใจก็จะนิ่งลงจะเห็นอะไรก็เฉยเฉยกันเองนะถ้าอย่างนั้น การพิจารณาแบบนี้เราพิจารณาได้ตลอดเวลาในในทุกเรื่องคือคือเข้ามาอยู่ในนเลนะจริงครับแต่ตอนนี้มันต่างกับการที่เรานั่งสมาธิแล้วเราพิจารณาอย่างเฉพาะทันนั้นนะนั่นเหมือนการทําการบ้านซ้อมเลยก่อนคเนี่เป็นการเข้าสนามสอบจริงเวลาไปเจอใครแล้วก็ด่าแม่เรายิ้มได้เปล่ะ เราเป็นถ้าแปลว่าเสียงเป็นสภาวะธรรมที่เกิรดรอบแบบเป็ น, นั้นนีจการทุกขังอนัตตาก็เท่านั้นเองคือเนี่องน اء, ปัญญาจะมีสามขั้นปัญญาที่เกิดจากการฟังเนี่ยตอนนี้เรากําลังฟังกันอยู่เนี่เรื่องลังกําลังได้ปัญญาระดับหนึ่งแล้วปัญญาระดับที่สองก็คือเอาไปทําการบ้านเอาไปช่วเจ้านายค่าควรจ้อมอยู่เรื่อยๆซ้อมด่า เราไม่ชอบคําด่าเด่าในใจเราเลี่ยด่าให้มันติดใจเราก็ทั้งรักชอบคําด่านั้นพล้ต่อไปเวลานได้ยินเสียงด่านันจะได้มีความสุขกทนที่จะมีความทุกขแล้ว <c oughs> ก็ไปทดสอบดูว่าเนี่ยปัญญาขั้นทีสามก็เรียกว่าภาวนาเราก็ด่าเราชอบเรายิ้มโอชอบชอบเสียงด่า <c oughs> อย่างนี้ก็จะผ่านได้เห <c oughs> มือนเราต้องกินของที่เราไม่ชอบกินอยนี้ ต่อไปเวลาใครชอบหยิบของที่เราไม่ชอบกินมากินเรก็จะเฉยเถ้ากินได้ไม่อะไรก็กินไ้ม่เดือดรอถ้าวมีสุตตะมยะปัญญาจินตามมยะปัญญาแล้วภาวนามยะปัญญาภาวนามยะ ป, ปัญญาคืออยู่ในเหตุการณ์จริงๆเจอของจริงเข้าสนทนาสออยนี้นเรเป็นภาวนาไมยปัญญาต้องทันต้องทันกบับเหตุการณ์ ต้องเป็นปัจจุบันทางเดินพอเกิดรวบรับได้ทันทีคือพอมาปักดับได้ทันทีเป็นไม่ว่าเป็นพอเนาะไม่รับเปนางแต่ถ้าเป็นจิตตาเนี่พอไปเจอของจริงนี่สติแตกได้ก็เพิ่มเรื่องหมดเลยศึกษาซ้อมาถ้าเสียงถ้าตายโกรธโกรอย่างเต็ที่เลย เ ป, เป็นการทดสอบปัญญาเรา เ, เราจะรู้ว่าับปัญญาของเราอยู่ขัานไหนอยู่ขัานจินตาและอยู่ขัานภาวนาถ้าอยู่ขัานภาวนาแล้วอะไรก็ได้รับได้ทุกรูปเลยจะโยนมายัางไงต้องต้องทันต้องรู้ว่าเป็นตายแล้วคือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดเทีนอุบาลที่จะทำมาให้มองเห็นที่นี้แต่ละคนก็ต้องไป ที่คนเราเองบางคนก็มองว่าเป็นเหมือนเด็กแต่คนนี้เป็นเหมือนเด็กไปถือสาวไปทำไมมันจะทําอะไรก็ปล่อยเวลาเด็กเล็กเราไม่ไปเราไม่เดือดร้อนของเขาใช่ไหมเด็กมันจะงองงียมันจะดื้อมันจะอะไรแล้วก็ทำทํามกับกานเราหลอกสาวนี่เราภรรยาเรากับทํำไมดูเขาเป็นเหมือนเป็นเด็กไม่ได้ถ้าดูเขาเป็นเหมือนเด็กปัญญาอ่อนก็ปล่อยก็ไปเขาอยากจะทําอะไรก็ปล่อยเขา อุบายี่ดีอันนี้เราต้องหาอุบายของเราเองอุบายนี้ทั้งแต่ละคนไม่เหมือนกันชื่สอนนี่เป็นเพียงของเปนหลักเท่านั้นเองการดาเนินการที่จะใช้ปัญญานี้ท่านบอก่านี่นักร้ายคนการดูสุภาพนี่ทงแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอันนี้ก็ต้องไปหาดูว่าอะไรเห็นแล้วมีสนดุสุภาพขึ้นมาจริงๆมันก็ มันก็เป็นอุบายของหลักปัญญ า, ามันถึงหลักหลายสมาธินี้ไม่ค่อยไม่ค่อยหลักหลายะสมาธินี้ตองไปตรงมามีจิตอยู่กับอารมณ์ดิ้เจิตให้เข้ารวมเข้าสุดสมาธิแต่ปัญญานี่บอกว่ามั น, ม, นมันหลังข้าหลายตานหลาย หลายหลายหลายระดับด้วยส่วนกลางส่วนหยาดส่วนละเอียดส่วนหยาดก็ส่วนภายนอกรลือดถึงตีนนกพิษตะก้าส่วส่วนกลางเข้ามาก็ขำห้าส่วนก็เอยดเข้ามาก็จุดมันที่เด็่มันต้อนอยู่ทุกทุกตัวนักอุปทานที่ตั้งหาในส่วนหยาดก็อยังเห็นรูปก็เกิดอารมณ์อยากได้ละเห็นเสื้อผ้าสวยๆก็อยากจะซื้อมาละ ตั้งข้านี่ไม่จำเป็นมีเสื้อผ้าอยู่เต็มตู้เห็นมือถือรุ่นใหม่ออกมาตั้งนี่อยากจะได้เยรุ่นเก่าไม่มีความหนายต้องใช้เหตุผลมีของไม่รู้ต้องใช้เหตุผลว เ, เราเรามีของเก่าแนละ้วใช้ได้อยู่ก็ไม่จําเป็นก็ความสามน้ถต่ำต่วาปัญญานี่มันมีนะท่าน ขั้นยาภายนอกท่านทานั้นกลางก็ขั้นฐานฐานหา้าหน้างกายของเราเวทนาปัญญาสังขารวิทธยาขัาาา้ า, าละเอียดก็คือจุดจิด น, นี้เป็นที่อยู่ของของกิเลสที่ละเอียดที่สุดก็คืออริยสัแต่มัน้อกลับภายนนอกกับมันถนงจะเข้าเข้าสู่ภ า, ายในได้ ตัวนัก บ, บวชนี่เขาตัดภายนอกด้านเขาตัดรูปเสียงกิตเขาปว่ศรสทธาเขาตละทับสมบัติเจ้าของเงินทองเขาก็ตรงมาอยู่ที่ขันห้าหรือเจ้นาห้าหรื่างกายแล้วเมื่อจิตสงบลงไปปล่อยปล่อยข่านกลางไนดะ้มันก็จะเข้ามันก็จะเข้าสู่ายในตัวจิตมันก็จะไปเจอไอโจตย์ที่ละเอียดที่อยู่ข้างในจิต ไม่ใช่เรื่องปฏิบัติแล้วก็จะดูจิตแล้วจะไปะําระกิเลสในจิตนี้ไม่ทำมันเนะ่ยคือสติปัญญาระดับของผู้ที่เริ่มต้นที่ยังจิตอยู่กับลูกเสียงเก่งก็ไม่จะไปดูจิตมันจะได้เลยก็โดนมันบอกให้ดูจิตปั๊บพอมันบอกให้ไปซึ้งกลับที่มาดื่มก็ไปดื่มพอบอกให้ไปเที่ยวก็ไปเที่ยวมันอนะ่ะมดูจิตจิตได้เป็นไงจิตสบายทำไมจะไม่สบายจิตเปนชอบ บอกให้จิตไปเที่ยวบอกให้ไปเที่ย ว, ยวจิตมันชอบจะตายดูจิตจิตก็ดีอย่าเงี้ ย, ย mm hmm. ใช่การดูจิตเนี่ยก็ mm hmm. ก็ดูได้แต่ดูเพื่อที่จะ <c oughs> เป็นการสร้างสตินี้ได้อยู่ให้มีสติอยู่กับใจของเราให้ดูว่าจใจของเราำทำอะไรแต่ถ้าจะไปปราบกิเลสที่มีอยู่ในในจิตตอนนั้นยังไม่ยังไม่มีกำลังพอ อยากเห็นแต่ว่าให้มันเป็นที่ตั้งของสติได้อยู่ให้เราให้เรารู้อยู่ว่าตอนที่เราคิดอะไรอยู่แล้วคิดดีหรือคิดไม่ดีถ้าคิดไม่ดีเราก็รียนรับเสียทช่นถ้าเราไม่กําลังบริกรรมพุทโธอยู่นัแสดงว่าเราคิดไม่ดีแล้วถ้าเราอยากจะใช้ใช้ใช้พุทโธเป็นเป็นเป็นทางของสาลักพิ้ เราก็ต้องบริการพุทโธทั้งวันเพื่อจะเตืมจนหลับเลยเวลาใดที่เราดูจิตถ้ามันไม่ได้มีพุโทโธนี้นก็แสดงว่ามันใช้ไม่ได้นะเราก็ต้องให้มันบริการพุทโธไปอย่างนี้ตคงหามคือการดูจิตด้วยการดูจิตในสติปัฏฐานท่านหมาย ถ, ถึงอย่างนีน้ให้มีสติตอยู่กับจิตหรือจะอยู่กับอาการทั้งที่สองก็ได้วันทั้งวันให้สื่อเราแต่อาการทั้งที่สองผมขนเล็บฟันหนังเนื่อเอ็นกระดูก ดูจิตว่าตอนนี้พิจณาหรือเปล่านีคิดถึงเรื่องสวยๆองานมันมนี่คือการดูจิตใช้จิตเป็นที่ตั้งของของส ต, ติเป็นที่ทัปปัญญาสติตอนต้นนันก็นให้ให้ตั้งส ต, ติที่กายมันง่ายกว่าเพราะกายนี้มันชัดเห็นได้เห็นได้ด้วยตา อยู่กับเราตลอดเวลาเอา à, เอาเอาใจเอาจิต น, ใ น, ใ น, ใ น, ในใี้ผูกไว้กับกายกายอยู่ตรงไหนจิตให้ให้ใจไม่จิตนี้อยู่กับกายไม่ให้ไปอยู่ที่ไม่ใช่กายอยู่ยตรงนี้แต่ตใจเปอยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานให้อยู่ที่กายตลอดเวลากายกำลังเดินอยู่ก็ใเดินไปกับกายกายกำลังรับประทานอาหารก็ให้รับประทานอาหารไปกับกาย าการกาลังอาบน้ําก็ให้อาบน้ํำไปกับกายให้อยู่กับกายไป ต, ตลอดเวลางงอย่างนี้แล้วต่อไปจะมีสถิตเพราะใจไม่ไม่ไปที่อื่นพอต่อไปบอกให้นั่งเฉยๆแล้วให้ดูลมแล้วให้อยู่กับพุทโธมันก็จะอยู่กับพุทโธอยู่กับลมถ้ามันอยู่ได้อย่างต่อเ น, นื่องไม่นานห้านาทีสิบนาทีมันก็วุบลงไปนะแล้วก็ลมลงเข้าสู่ความสนะเป็นสมาธิขณะจิตที่ขณะจิตลมลงเข้สู่ความสงบ ถ้ามันเนื่องเฉยๆไมนไม่ออกไปรับรู้อะไรก็ดีถ้ามันออกไปรับรู้ก็ควรจะดึงมันกลับเข้ามาตอนต้นนี้ท่านว่าไม่ควรที่จะไปรับรู้เรื่องราวต่างๆ ก, การทําสมาธิเริต้นนี้ต้องการที่จะสร้างฐานของความสงบให้แก่จิตถ้าจิตออกไปรับรู้แล้วจะไม่จะไม่มีความสงบนั่นางงานสักเท่าไหร่พอออกมาแล้วจิตก็จะเหมือนกับไม่ได้นั่งสมาธิก็จะไม่มีกําลังที่จะต้านกิเลยพอออกมาเห็นรูปเห็นจิแล้ว ก็จะกิเลสก็จะออกมาทํางานทันทีแต่ถ้านั่งด้วยความสงบแล้วไม่ไปรับรู้อะไรนิ่งอยู่เวลาออกมานี้ควา ม, มนิ่งนี้ยังจะมีกําลังมากพอที่จะสร้างกิเลสได้เวลาเห็นอะไรก็จะไม่เกิดกิเลสผูม้มากขึ้น า, ท, าทันทีทันใดก็จะมีเวลาพอที่จะเอาจิตที่สงบเนี้ยที่ไม่มีกิเลสมาลบคนนี้มาพิจงงารณาทําได้ มาเจริญวิปัสสนาได้แต่พอจะิญไปได้ชงระยะหนึ่งพอพอความสงบนี้อ่อนกำลังแล้วกิเลสก็จะเริ่มมารบกวนเราจะเริ่มพิจารณาไม่รู้เรื่องแล้วเริ่มมีการเถียงกันแล้วแล้วตอนนั้นก็หยุดแล้วก็กลับเข้าไปทำสมาธิสมาธิกับปัญญารู้วิปัสสนาจะสนับการทํางานจะสนับผลินกันสมาธิเป็นที่พักผ่อนหลับนอนปัญญาเป็นที่ทํางาน ชีวิตประจําวันของเราก็อยู่ในสองสถานที่นี้ไม่ใช่อเช้าเราก็ออกจากบ้านไปทํางานเย็นแล้วก็กลับมาบ้านมาพักก่อนกินข้าวนอนพอเช้าตื่นขึ้นมาเราก็ไปทํางานการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันเวลาเราออกจากสมาธิมาเราก็ไปทํางานแล้วก็ไปพิจารณาใจนะพิจารณาขันห้าพอเราพิจารณาแล้วรู้สึกว่าเราไม่ได้ประโยชน์นะเราไม่เป็นเหตุเป็นผลนะเราก็หยุดแล้วเราก็กลับมาพักหยุในสมาธิต่อ ถ้ากระทั่งจิตเองตัวแล้วถอนออกมาเองแล้วก็ออกไปพุจารณามันสลับกันทำไปเรื่อยๆแล้วปัญญาก็จะชัดขึ้นไปเรื่อยๆจะจะวัยขึ้นไปเรื่อยๆจะทันกิเลสขึ้นไปเรื่อพอความคิดอะไรที่ไม่ตรงกับความจริงนี่มันจะเห็นทันทีเลยเพราะว่าสวยว่างามมันก็จะเห็นทันทีพออยากจะอยู่เป็นงามมันก็จะเห็นทันทีพออยากจะไม่เจ็บไข้ไม่ปวนมันก็จะเห็นทันทีแล้วมันมันจะตัดกันได้ พอเห็นทันรู้ปั๊บรู้ทันปั๊บตอไปมันก็จะไม่เกิดหลังจารนึง <c oughs> ก็จะเป็นธรรมชาติมันก็จะเป็นธรรมดาจิตนี้ก็จะปล่อยวางให้ทักสิ่งที่อย่างเป็นไปตามธรรมดาของขันธ์ เดี๋ยวกเลี้ยู่ที่แี้แลนวครับน้าจไปนะครับเ จ, จียมไปเขาห้กอลเลย เริ่มต น, นเริ่ม่ใจน้อยไปหามากถ้าไม่เริ่มก็จะไม่ไม่เริ่มทำไปเรื่อยๆคือที่รู้เห็ุการณ์ร้อนผนะิดกปกตินะร้อนร้อนร้อนจากที่เดือของร้อนนีนใจ น้อนใจก็ตัวจะร้อนจัคนในเมืองร้อนจีเลยทำใจกันไม่ได้ไม่ได้รดบ้านเก่งไห่เป็นสองคนสองคนไปเยอะเยอะๆไปบ่อยๆไป วัดทําบบฝันแล้วค่ะไปเข้าสนามจอบนี้ไม่ว่าถ้าตอนนี้ขนุหนูจะเป็นแบบนี้ถ้ากลางคืนแล้วเราเป็นนั่งนองก็จะได้ไม่สาใจตัวเองใจตัวเองเรากำลังเรามีมากน้อยแค่ไหนเราต้อ ง, ต, องต้องดูใจตัวเองค่อยๆ่อค่อยค่อยขยับไปไ มันต mm ้องรีบร้อนใจใจก้าวไปด้วยความมั่นใจอย่ารีบรอนเดี๋ยวอาจจะผิดขาพได้ถ้ายังไม่มั่นใจก็ถ้าอย่าเพิ่งมองมีให้ความอยากแต่มันยังถ้าเรามั่นใจเราก็อมใจ ตอนี่าคนาา่ค้าจานะคะที่เกิดการบ้านนึงตอนนี้มันไม่ใช่สมบูรณ์ที่น่งค้าจานเรียกว่าลาคืสิดฟังสีด่าแล้วให้ทาใจไม่พอใจเวลาเรารับฟังของสามบ้า ง, งมันมนนีอันที่พอใจไปฟังอันที่ฟังแล้วมันแย่ไมไม่พอใจเลยที่เกิดย่าง น, นี้เราควรจะปฏิบัติใจยังไง่า ง, งคะเจอไม่เคยที่จะฟังนี้จยไปฟังอ่ะ ว่าเรายังไม่มีปัญญาพอที่จะมองเห็นภาพรวมได้เราไปจิดอยู่กับไอ้ฝ่ายนี้ฝ่ายนั้นเรื่องนั้นเรื่องนเราไม่เห็นภาพรวมว่ามันมั น, ม, นมันไร้จาระทั้งสองฝ่ายคือการทะเลาะกันก น, นี่มองภาพรวมแล้วมันมีแต่การเสียหายเหมนที่พระ เ, เจ้าต้องเติดที่แรกไปอยู่องเดียว เพราะสงทะเลาะกันไม่อยอมทำพระพุทธเจ้าพระเจ้าหลวนหยุดทะเละกันไม่อยอมพระพุทธเจ้าเราจะต้องไปอยู่กับช้างกับงูเ mm hmm. พราะการทะเลาะกันะะะนี่มันไม่ได้ฝ่ายไหนถูกฝ่ายไหนผิดมันผิดด้วยกันทั้งสองฝ่ายหลวตาท่านก็มีบทมันหยับอยู่ในวัดอยู่แล้วว่ า, ว า, วาถ้าใครทะเลาะกันก็ผิดด้วยกันทั้งคู่ ต้องออกไปด้วยกันทั้งคู่เพราะมันทําลายทําลายความสงบทําทลายสถานที่ทําลายทุกสิ่งทุกอย่างคนทะเลาะกันงันเราต้องถือหลักอุเบกขาคือเราต้องวางเฉยเขาจะอย่างไรก็เรื่องของเขาเราไม่มีหน้าที่ที่จะไปยับยั้งไปหยุดยั้งเขาได้ใน่ใช่หน้าที่ของเรา ทางบ้านเมืองเขาก็มีคนที่มีหน้าที่ก็ปล่อยเขาทําหน้าที่ของเขาไปแต่พวกเราก็เพียงแต่ตั้งอยู่ในความสงบอยากไปทําให้เหตุการณ์ที่มันเลวรม้มันเดินไปมากกว่าที่มันจะเป็นเราก็อยู่ของเราไปดูแลเพลงต่างๆของเราไปทําหน้าที่ของเราไปคนอื่นอยากจะ เผาบ้านเผ่เมืองก็ปล่อยให้เจ้าหน้าที่เขาดูแลของเข้าไปมั น, มนคือมันเหมือนกับรู้สึกว่าเราอาจจะไม่ได้ทําค่าทํำอย่างนั้นเราอาจจะไม่ได้ทําตัวเป็นพลเมืองที่ดีหรือเ่าหรือเร<ล><ล>ื<น>่องโรคจากการทำนี่เราเป็การทําตัวเป็นพลเมืองที่ดีก็ ค, คือไม่ได้เหียบย่ำบ้านเมืองให้บอบช้ำมากกว่าเดิม ช้างตัวเดียวเหยียบเหยียบเพิ่มมันก็หนักพอแล้วเอาช้างสองตัวไปเหยียบมันก็ยิ่งมันก็ยิ่งบอดช้างมากมากกว่าเดิมเนี่ยพอดีช้างตัวนั้นมันตกมันก็าปั่นมันตกมันไปเดี๋ยวมันก็หายของมันเองถ้าไม่หายเดี๋ยวมันก็มันก็อาจจะตกหินตกบ่อตรงเขีวของมันไปเองใครทําอะไรมันเดี๋ยวมันก็ต้องแพ้ภคยตัวมันเองก็ดูพระพุทธเจ้ากับเทวทัตพระพุทธเจ้าทําอะไรบ้าง พระเจ้า ก, ก็ใช้ปัญญาใช้ความเมตตาใช้อุเบกขาถ้าไม่ได้ไปเรียกกองทัพกองคลที่ไหนมาเรียกปลุกกระดมให้ฝ่า ย, ายของเรามาตู้กับเขาท่าก็ปล่อยว่าทาไปอย่างที่ทําม่ได้ทําำไปของที่ที่เรารับที่เราโวงเราแหง น, นี้มันก็ไม่ใช่ของเราอยู่ดีนะไมยเม่วันของเราก็ตายแล้วก็ต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปจริง ถ้ามันจะต้องทิ้งวันนี้ก็ทิ้งไปการกระทำของเราเนี่ยเหมันจะกลับทำให้มั น, มนทิ้งเร็วขึ้นกว่าเดิมถ้าเราเฉยเนี่ยโอกาสที่เรื่องทุกอย่างจะกลับมาสมบูรณ์นี่มันจะถ้าเราไม่เฉยเนี่ยไม่มีโอกาสมันมีแต่จะทำให้มันเร็วลายลงไปเรารองแง่นี้เราไม่ได้ว่าใครผิดใครถูก ผิดในทางโลกก็ย่อมมีอยู่แต่ถ้ามองในภาพรวมมันคิดด้วยกันทั้งสองฝ่ายความไม่สมัครใความไม่รักกันมันก็เหมือนเมือนกับพระที่แต่งแยกกันความสา ม, มีคีของสมนี้เป็นความจบอย่างยืนใช่ไหแต่ว่าแล้วก็ความแต่งแยกของสมก็เป็นความทุกข์อย่างยืนความสมัครใของคนละเมอก็เช่นเดียวกันก็จะทําให้มั่นเมืองอยู่กันอย่างร่วมเย็นเป็นสุด ถ้าเกิดความแตกนะเมื่อคืนเมื่อไหร่บ้านเนือนก็จะก็เป็นไฟขึ้นมาทันทิเพรฉะนั้นถ้าเรานิ่งเฉยเสียเราก็ไม่ได้ทําให้เกิดความตกอย่างเมื่อคืนแล้วก็เป็นแต่ไฟให้ให้ให้เพื่อนเพื่อนร่วมชาตินี่เขาเสียติดก็ไฟให้เขาเสียติดไปเดี๋ยวในที่สุดเขาก็จะหมดแรงไปของเขาเองอย่างที่มีคำพูดว่าให้ใช้ ควานสงบสยบความเคลื่อนไหวอันนี้นี่เป็นเป็นสุภาษิตจีนเป็นปากปัญญาของจริงเราก็ตั้งอยู่ในชาติเเขาจะทําอะไรก็ปล่อยเขาทำํำไปไม่ว่าใไทั้นนั้นแหละแตถ้ามีเราเลือกระยะเราเกิดบ้าแล้ววาดบ้านท่านขึ้นมาเราก็เจริญเลยว่าปล่อยเขาบา้าไปเดี๋ยวเขาก็หมดแรงล้วก็หยุดเอง แต่ถ้าเรายุ่งไปทําอะไรเดี๋ยวเขายิ่งยิ่งเกิดแรงมากขึ้นนย่างพอไปอยู่ประยักบยั้งเขาเขาจ ะ, จะโมโหเพิ่มขึ้นมากโกรธมากขึ้นก็จะมาทําร้ายเราตอนนี้ถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขาเขาก็จะ ม, มาทําร้ายเราปล่อยเพราะอยากไปทํำนั้นก็ปล่อยไม่ทำไปเราก็ป้องกันตัวเราไว้ก็แล้วกันมีสิทป้องกันตัวได้อยู่ในบ้านอยู่ในสานที่ปลอดภัย ได้ยย่างนี้แต่เราไม่ต้องไปออกไปเตี๋ยเขาเตี๋เขาเร า, าก็ไม่จะดีกับเขาใช่ไหมเราใ้อย่า ง, งานั้นการให้ความช่วยเหลือรู้มีจากเงชื่วหรือผู้อาเดเจ็จทหารตำรวจอำ ไ, ได้มมีควาดไม่ติว่าเป็นเชื้ อ, อคุณสนไทยไม่นี่เป็นทางเป็นเป็นความกรุณนหาใครที่เขาเดือดร้อนเขาตกทุกข์ยากแต่ถ้าจะทําจริงๆก็ต้องทําไม่เลือกว่าเป็นใคร ไม่จะฝากฝ่าเแต่ว่าเ ป, เป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างพยาบาลเ้าโรงพยาบาลส่งฝ่ายนั้นมาเขาก็ต้องรักษาเข uh huh. าใช่หแต่ว่าจะไปช่วยก็ช่วยได้แต่ถ้าช่วยแล้วทมให้มันยืดยาวขึ้นมันก็อ ย, อยากจะสู้ไปช่วยฝ <laughs> ่ายก็สู้กันทั้งหมดแลยใค้ก็ไม่มีแล้วตายกัไม่หมดกัน บางทีช่วยแล้วมันการช่วยแล้วทําทให้เกิดความเสียหายก็อย่าไปช่วยการช่วยนี่มันต้องเกิดประโยชน์อย่าควรจะช่วยทำใจได้พยเจ้าค่ะทำใจได้พยายามเจ้าค่ะเวลาเสพข่าวนะครับมีทำมีความรู้สึกมีสองอย่างพอใจไม่พอใจอยู่นีอ่อย่างนั้น คือเรามันมีความเห็นของเราอยู่แล้วใช่ทุกคนมีความเห็นตังเองอย่างเงแล้วพี่ตังแล้วพอใครทําตามตรงกับความเห็นของเราแเ้าก็เราก็ถือว่าเป็นฝ่ายเราพอเข้าทําในฝ่ายในที่มันตรงกับความเห็นของเราแล้วก็เข้าเป็นฝ่ายตรงข้ามมันจะทําให้จิตใจเราขุ่นโแล้วกใจที่แทนที่เราจะพัฒนาไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมไปัญญาไม่มีไม่มีผลแต่กลายเป็นอารมณ์ไปหมด อาจารย์ฆ่าแล้วอย่างนี้เมื่อไหร่ก็จะเลิกถล่มนล้ทุกครั้งที่มีคนตายผิดใจอยู่คือเรื่อมันเป็นธรรมดาอยู่มันมีมาตได้สมัยเด็กจำวันแล้วมันถล่มกันมาตลอดเวลาคณะน่าายต่างๆมาถึงทังคิดถ่ายกันมาก็พ่อันถล่มกันนะตอนต้นก็สามะสามะขีกันแล้วกันก็สร้างกันจะเรียนรุ่งเรืองพอจะเรียนรุ่งเรืองแล้วก็มาตตกคอกันมาแตกสามคขีกันแล้วลองจะศึกษาประวัติศาสตร์ดูที่ไหนก็เหมือนกัน ตอนเริ่ม ต, ตอนเวลาก่อล่างสร้างถูกขึ้นมาทะเลกันพอรวยมีความสุขแล้วทียบก็มาโกรธกันมาทะเละกันมามาแก่งแย่งชิงดีกันทัอย่างนี้มามันเป็นสันดานของมนุษย์เยเป็นสันดานของเกลียดาดใดที่ยังมีตะกรารมาตัญหาเพราะว่าตัญหายี่เพราะว่าตัญหาอยู่ขาดนั้นมัก็จะมีเรื่องราวอย่างนี้มาต ล, าลตอดเลยนะก็สมัยร่วมกันเจ้าก็มีไม่ใช่แตไปชงห้ามเรื่องเขายากเลย มันก็มีมาอยู่ทุกสมัยเรื่องของกิเลสมันเ็นอย่าง น, นมาตลอดถึงบอกให้ที่นาให้มุ่งจ่ดยความเบื่อนหน่ายโลกดีกว่าจะได้ไม่ต้องมานั่งทุกข์กับมันจะได้มาออกบวชเป็นแม่ชีเป็นนักบวชพวนั้นบวชก็ไม่ต้องมีปัญหาอะอรเพราะเข้าใจโลก <c oughs> เขารู้โลกกับทั่งมันมีมีเสื่อยมีมี ม, ม, มีมีการเจริญแล้ว ม, มีการเสื่อมเป็นธรรมดา ราดยศสบบารเสรินสุขมีการเจริญก็ต้องมีการเสรื่อมเสื่อมราดเสื่อมยศมีสบบารเสวนก็มีมีธามีสุขก็มีทุกข์มันก็สลับกันไปอย่างนี้ตลอดเวลางั้นถ้าอย่าไปหวังว่าโลกนี้จะจะเป็นอย่างที่เราอยากได้มีที่เดียวเท่านั้นที่เป็นอย่างที่เราอยากได้ก็คือพระนิพพานเท่านั้นเองนะไปที่นั่นสิทำไมไป ไปสิงคโปร์ไมได้กว่านไปคคนที่ก็าไปถึงวโปร์นี่ฟ้าแม่ก็มาจักมาบ่นกังไงก็มีแต่ว่าปร์มังสุขขังเนาะร์ังสุขังเนาะพวกเราอยู่ในกองไฟแทบไม่รู้สึกตัวแล้วไม่ยอมออกจากกองเพลิงกันแล้วก็มานั่งบ่นร้อน เอาไปออกมาเถอะจะไปอยู่เราก็เคยอยู่ตอนนี้เราไม่ได้อยู่แล้วเราก็ออกมาแล้วอยากมากมจนพละมัน อย่างที่ท่านอาจารย์บอกว่าสมัยที่ท่านเป็นคารวะก็ได้ฝึกอบรนตัวมาโดยตลอดจึงทั่งไปอยู่ที่วัดป่าบ้านตากกาไม่ไดกพูดไม่ได้คุยกับใครโดยไม่จําเป็นแล้วไม่ได้ออกไปไหนเลยอย่างนี้ถ้ามีข้อวิหารทเข้าไหนเป็นเครื่องอยู่จ้าคะก็มีความสงบใจจิตสงบมันก็มันก็มีเครื่องอยู่มที่มันยังไม่มีแล้วมันลื่นลบนี่เจ้าก็ต้องทรมาร์ตต้องฝึก ทุ้สึกเหนื่อยมากเวลาดูวงวันสุขว่าเหมือนปีนเขาอ่ะแต่พอมเถ็งยอดแล้วมันก็จะสบายตอนนี้คือนี่เลยเครื่อพยายามเครพยายามบางครั้งมีเหตุเกิดขึ้นค่ที่เดินตรงกลมไปเนี่ยเรายังเห็นมันอยู่ว่ามันมีอยู่เกิดขึ้นแต่เราไม่สามารถจะเอาชนะมันได้นะคะจนทั่งกลับไปบ้านไปเจออาจารย์ไป่าให้อาจารย์ตังอาจารย์คู่อยู่นิดเดียวปุ๊บเราสามารถจะโอ้ที่มันวานได้โดยอารมัติมันนะคะทีนี้ใครตรงนี้มันมีข้อเสียตรงที่ว่า ถ้าไม่มีอาจารย์จะทํำยังไงตรงเนี้ยก็มีก็หาอาจารย์ตอนนี้อาจารย์อยู่เยอะยะเลยเราไม่ไปหาอาจารย์เองไม่อยู่เราอยู่กัอาจารย์เองวัดคำนักต่างๆที่มีอาจารย์ที่ท่านรับคนให้ไปอยู่ปฏิบัติกับท่านก็มีเราไม่ไปอยู่ขอท่านเองนี่นึกถึงที่เลยว่ถ้าเราเกิดไปอยู่กลางป่ากลาของคนเดียวถ้าไม่มีตรงนี้มันจะมันจะพ้นไปไหมป่แล้วก็เล้ยงไม่ไปนั่งบ่นนอนอยู่อาจารย์ก่อน ใ ห, ใ, หให้มีให้มีกําลังคอยที่จะขึ้นตัวเองได้ก่อนนะท่านถึงป่อยให้ไปอยู่คนเดียวได้ตอนต้นต้องมีอาจารย์คอยสอนคอยทห้กังต้องมีฐานก่อนอย่างน้อยต้องมีความสงบเป็นฐานก่อนถึงนย่ออกไปอยู่คนเดียวได้ที่ออกไปอยู่คนเดนียวนี่หมายถึงต้องการเข้าสถลงทดสอบแล้วเขาจะมานั่ง ม, มีมีสุตตมยจจัญญาแล้วมีกิณตารมยจจัญญาแล้วอยากจะไปช่างภาวนาเมตตมััญญาให้เกิดขึ้น ต้องไปอยู่คนเดียวต้องเข้าสนามสอบนั่นต่างหานั่นเป็นขั้นสูงแล้วคนต้องไปอยู่คนเดียวไม่ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีสติมีสมาธินะ้วมีความ ร, รู้เรื่องปัญญาพอสมควรพอที่จะรักษาตนเองได้นะถ้าไมนจะ ป, นป่อยให้ไปวาต้องอยากขึ้นไปคิดว่าจะไปอยู่คนเดียวควนต้อเร า, เ อ, ย า, บบาอยู่แบบนั้นบลบาวลกอยู่ พอมีพ่อในแม่คอยเลียงดูคอยอบรมสั่งสอนถ้าโตเป็นที่พื้นของเราได้แล้วเราค่อยไปร้าครอบครัวขเราเองไปไปตอบ้กับปัญหาของเราเองเมี่ยเราอยู่ท้องครอาจา้างก็อย่างนี้พอมีปัญหาพอไปล่า ม, ม, าใาม่ใช่ฟังซักท่านก็จะชี้บอกเลยเลือพูดให้กำลังใจาทาำสองคัญก็กำลังก็กลับมา แต่ถ้าไม่มีในใจของเราไม่มีมันไม่มีที่ตัวที่จะมาปลุกปัญญาปลุกกำลังใจมันก็มีแต่กิเลสคอยจะคอยเหยียดเยี่ยมเราทําให้เราท้อแท้ทำให้เกิดความเบื่อหนา่บบายบทสศรัทธาหมดเลยเมื่อเราจะปฏิญญาแต่อยู่ครูบาอาจารย์ท่านสอนอยู่เรื่อยๆถ้าท่านถ้าท่านในเวลาไม่ไม่มีใครไปรบกวนให้หนมากอย่งสมัยที่ไม่อยู่กอน้องาตามสมัยนั้นไม่ก็มีคนไป ท่านสี้าวันท่าเดินได้ประชุมสงทางเลยนะสี่หาวันก็เดินได้ประชุมนี้แล้วก็พูดเรื่องธรรมพอฟังแล้วเหมือนเหมือเหมือนกันได้ได้กาลังพอเอาจากที่ประชุมแล้อก ะ, ะเดินรงกลมเป็นชั่วโมงก็ได้ แ, แต่บางยงไม่ได้ฟังธรรนี่เดินไม่ชั่งโงนีก็เหนเ่อยละไม่อยากจะเดินนันต่างกันเวลาได้ฟังฟังธรรมนี้นมันจะได้กาลังใจ เึงแปว่ามันจะจางหายไปหลังจากสาสี่วันนั่นก็จะจางหายไปถ้านถึงต้องเรียกกระชงหนอเรื่องอย่างที้ท่านทรงกำหนดวันพระไว้ให้ญาติโยมเข้าวัดกันก็เพื่อจะได้มาเติมเติมพลังการธรรมะเติมปัญญาเพื่อจะได้มีอะไรหน่อเรี้องจิตใจให้ญาติโย่ต่อสู้กับปัญหาต่างๆได้อย่างปลอดภันนี้ท่านท่านถึเรื่องวันพระวันธรรมวัฒ น, นะ วันฟังธรรมกาลเลยนะธรรมสวรรคเอตัมมังกาลนิาาลัมมังการฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิงย่งทางที่ร้ายบอกแล้วมอวให้เปิดฟังทุกวันก่อนจะออกไปทางานตอนเช้าเป็นขึ้นมาค่อยนอนค่อยตื่นกี่มงก็ตื่นขึ้นมาอีกก่อนสักชั่วโมงหนึนอนโผเข้างละกับปกติสักชั่วโมงเวลามีเวลาตอนเช้าก่อนจะไปทางานทาการให้มา นสมาธิฟังเทศน์งธรรมสักชั่วโมง้แได้มีอะไรเป็นสติเตือนใจเป็นคติเตือนใจเราจะต่างกันว่าถ้าได้ได้ยินได้ฟังธรรมทุกวันแล้วเวลาไปทํางานนีมันจะมีอะไรคอยเตือนสตินะว่าอะไรเป็นอะไรอะไรถูกอะไรผิดถ้าไม่ฟังธรรมมันก็มันก็จะฟังกันที่ไหน เพราะในใจเรามีแต่กิเลสมันจะพูดอย่งนี้พูดโยยุเราต่างๆ่านาเขาร้ายเ้าเลวเราถูกเ <c oughs> มื่อไหร่เขาจะหยุดสักทีมันแค่ทำให้ใจเรารุ่มร้อนขึ้นมากังวลกัวานกระสับกระสายกินไม่ได้เรนไม่หลับแต่ถ้ามีธรรมแล้วมันก็ปลงได้วะเออมันก็เป็นอย่างนี้แหลโลกเป็นธรรมดาของโลกมีตัวนี้ลักเป็นธรรมดามี มีความสงบมีความวุ่นวายเป็นธรรมดาสลับกันไปแต่เราไม่ต้องไปวุ่นวานยกับเขาได้เราแยกใจของเราออกจากสิ่งใดฝันได้ด้วยการมีธรรมะมีสติมีสมาธิมีปัญญาคอยดูแลรักษานี่คือสิ่งที่เราต้องทําอยู่ทุกวันวก็คือรักษาใจเราให้อยู่เป็นปกติส่วนพัภ์ยนอกเราทำอะไรได้เราก็ทําไปในส่วนของเราเรา ทำดุนได้แล้วก็ทำดุนไปให้ทางได้ก็ให้ทางใส่ช่วยเหลือ ใ, ใครได้ก็ช่วยเหลือเขาใส่แต่เราจะไม่ไปทุบตีใครเราจะไม่ไปด่าใครจะไม่ไ ป, ไปว่าใครใครเขาจะรา้ายใครเขาจะช่วยอย่างไรก็ปล่อยเขาร้ายเขาชัวา่วเขาใส่เราไม่ต้องไปบอกเขาหรืว่าอะไรไม่เกิดประโยู่อะไรมันจะมันจะมันจะทําให้เราชั่วและร้ายเท่ากับเขาเท่านั้นเองเราต้อง เราต้องวางเฉยเป็นอุเบกขาในเรื่องราวเหล่านี้ต้องมีเมตตาเสอสัพเพสัตตาเพราะว่าสัพเพก็หมายถึงจัดทั้งหลายทั้งปวนทั้งที่เป็นที่เราเป็นพวกเราแล้วไม่ใช่เป็นพวกเราในนี้นจะเรียกว่าสัพเพสัตตาได้อย่างไงเชื่อใจก็สัพเพสัตตาครับเรื่องเห็นก็สัพเพสัตตาครั ก็สนิทกันตาเ็นพือนเป็นป น, น้องกันเป็นเพื่อนเกีก่ยจเกี่ยวตาด้วยกันถ้นนนมามีเมตตาแล้วเชื่อได้ว่าปัญหาทางตามันจะบเบาลงมันจะบเบาลตงตกในข้างเรียวไม่ดังไปตกในข้างเียวดูไหมไม่ตก <c oughs> <c oughs> ไอตัวทำนั้นไม่ไม่ใช่ตัวนะไอาจอเป็นไอพัสดุใช่ไหมเอาเราทำไปนะเอาไปใช้เถอะเราเชื่อว่าเราจะช่วยลดปัญหาช่วยลด อ, อุณภูมิของความรุ่นแรงได้ในหลังแต่ถ้าตามฝ่ายกาง ชูวงเกาเข้าหาสัตว์เนี่ยนก็จะเพิ่มอุณหภูมิของัตว์อืนเพิ่มขึ้นมันจะให้พอนะเป็นขัะที่ที่อาส่งไปนะเห็นเห็นดูรูปที่มีคนอยู่ในหลงศอแล้วก็วันนั้นเลยเป็นหมดว่าตัวเองน่นอนทับศกกันเลยซึ่กกตไม่อยกลัวเท่าไหร่แต่วันนั้นดูดนึกกลัวขึ้นมาทันทีก็เลยถอนออกมาเอ๊ะทไมเรานึกกลัวนะรี่เคุณจะกลับ ไปทำอีกรอบไปหลายรอบเพื่อที่ดูตอนน่ดูจนท่งเราไม่กลัวความตายหรือว่าเราลั่นตายเราก็ต้อเป็นลั่นายของขางมันเองเหมือนกันดูจนกระทั่งยอมรับความตายแล้วแล้วท่านต่อไปก็จะพิสูจ์ดีเดีคุณถ้า่านะพิสู์ดีมือก็ต้องไปหาสภาพเหตุการที่มันถ้าพาต่อทางถึงความตายดีตอนนีบมันยังอาจจะหลอกตัวเราเองได้ ความคิดยังยจะหลอกเราได้ว่าเราไม่กลัวตายนะแต่เรายังไม่ได้เจอเหตุการณ์จริงเหมือนคุณหมออคุณอาจารย์ที่จะเจอลูกระเบิดถ้าเจอลูกระเบิบกรรันดูทีว่าเป็นยังไงใจสั่นถึงขั้นอแล้วในขณะที่เราถ่ายเป็นลูกสิษยหลวตาเลยนะทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจฝึกอบรมตนให้เป็นสมาธิมากขึ้นมา ก, มากทุกวันเพื่อจะติดปริญญาที่มีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราสามารถในคุณที่จะทเนี้ยน้อมถวายท่านขันทันกำลังได้ไม่เจ้าค่ะ ไม่ได้พวามชันยองได้ก็เป็นธาตุชันยองไก็เป็นไฟตายเหตุปัจจัยของธาตุชันยองได้แต่ถ้ามีคําพูดหนึ่งว่าไม่มีอํานาจใดจะยี่งใหญ่ไปกว่าอำนาจของใจที่ฝึกไว้ดีแล้วนี่จะผ่านใช่มันเลยสมรรถใจใครยจงมันใจของใครของมันแต่เพื่อถ้าท่านเลยน้องถวายบูชาท่านนี้เพื่ด้วยความบูชาได้แต่มันไม่ได้มีขวนทาง ตามความต้องการของเราการูาชานี้เป็นการแสดงความ เ, าเคาว่ามีคองทานเทนะ่านไม่ต้องการอะไรท<อ>่านไม่ต้องการที่อะไรทั้งนั้นท่านพอเพียงอยู่แล้วถ่านขัไม่ใช่ตัวท่านท่าถามบเป็นเพียงรถยนทันหนึ่งทนั<อ>้นเองรถยนนั้นก็ต่อให้ ใครมาทําอะไรมันถ้ามันไม่วิ่งมันก็ไม่วิ่งมันมันหมดสภาพมันก็ไปไม่ได้ร่างกายก็เหมือนกับรถยนต์คันนึงเมื่อมันหมดสภาพมันดากแสตรสามวิทีมันจะแยกทางกันเด่ก็ไม่มีใครหยุดมันได้ไม่งั้นพระพุทธเจ้าก็อยู่ถึงวันนี้ก็สิถ้าเราสามารถทําให้พระถ้าบุญบุญที่พวกเราทําให้ยสามารถยืดชีวิตของพระพุทธเจ้าได้ตอนนี้ท่านก็ยังอยู่ถึงวันนี้ ที่มีในบทว่าถ้าพระอนุลลาธนาเราถึงสามครั้งเราจะอยู่ได้ถึงหคนมาเลื่อนกันนั่งานพูดหมายถึงว่าในตอนนี้ท่าแขนท่านยังอยู่ได้จะต้องมีการบำรุงพิเศษต้องการดูแลเป็นพิเศษต้องซ่อมก็จะอยู่ได้นานะแต่ถ้าไม่ดูแลพิเศษไม่ซ่อมไม่บำรุงมันก็จะไปเร็วน้อเท่านั้นเองและคนที่จะรอรดูแลซ่อมบำรุงก็คือพระอานุลท่านถึงบอกพระอนุลเป็นนายไว้ ถ้าถ so so right, so so ้าหนุงไม่เข้าใจก็เลยไม่อามาธนาไม่ได้อาสาสมรักว่าจะเป็นคนคอยอุปถัมภะดูแลท่าทองของพ่อพุทธเจ้าเพราะเมื่อมีอายุมากก็ต้องมียามีอะไรมีการบีบนวดมีการรดูแลเป็นพิเศษอาจารย์เนี่ยที่เมื่อไม่มีใครอาษาสมรักไม่จะไปไปถามเข้าบอกว่ามาช่วยดูแาเราหน่อยก็ไม่ได้ถ้าหนุงถูกถูกถูกตอกอับเนี่ย ในสาเดือนหลังจากที่พระเจ้าวิปานไปแล้วก็มีการสังคกยนาพระสงขึ้นไปท่าหนังท่านก็ถามพระอนุโมทนาทำไมไม่อาวาทนาให้พระเจ้าอยู่ต่อพระอนทาบอกว่ามไม่ทราบไม่เข้าใจความมายพระสงท่านก็เลยปร ะ, ประบัศขึ้นมายถาวตันงว่าโง่อะไรปราน้ทำไมไม่อาวาธนาให้อยู่ต่อ แล้วในความอาอง ท, า ท, าท่านพ่ว่าถ้าอาการให้อยู่ต่อแล้วท่านจะทรงอิที่บาตรสีน่นี้หเจ้าพระก็ค่าว่าอิทธิบาตรสิ่งนี้คือจิตที่มีพลังจิตที่มีพลังธรรมนี่สามารถปกติประคองร่างกายให้อยู่ได้นานกว่าจิตที่ไม่มีพลังจิตที่ไม่มีพลังคนที่ไม่มีกาําลังจิตกำลังใจยจงอยู่เนี่ยถึงแม้ร่างกายยังดีอยู่ก็อยู่ได้ม่ได้เพราะเขาจะไม่ดูแลเขาจะไม่กินข้าวไม่หลัเนอนไม่ออกกําลังกายไม่กินอยู่กินยา ร่ <c oughs> างกายเมื่อไม่ได้รับการดูแลมันก็ต้องเสื่อมไปอย่างรวดเร็วตางกับร่างกายที่ได้รับการดูแลที่ร่างกายที่ได้รับการดูลต้องมีกําลังใจเพราะใจเป็นผู้ดูแลร่างกายพระพุทธเจ้ามีกําลังใจที่จะดูแ ล, ลรลักษาร่างกายแต่ถ้าต้องมีคนดูแลร่างกายแทนท่านท่างเบียบนวดร่างกายของท่านไม่ได้ท่านต้องมีหมอต้องมีคนคอยจับอยู่จับยามา ขอจะถวายท่านขอจากอาหารพิเศษมาถวายท่านอะไรอย่างต่างๆเหล่านี้น <c oughs> ถ้าไม่มีมันก็ร่างกายมันก็ไม่สามารถที่จะอยู่ต่อไปได้รือต้องมีการดูแลเป็นพิเศษคุณ ง, ง่ายๆใ้คนที่จะดูแลก็ต้องเสียสลับเวลาของตัวเองพระอนงลท่านก็ยังไม่บรรลุเป็นพ ร, ระอาหันตรพระอาจาก็ไม่อยากที่จะไปไปดึงพระอนุลไว้ ถ้าือถ้านุษอยากจะลาไปปฏิบัติท่านก็จะได้ขล่อยให้ไปได้หรือถ้าท่านอานุญอยากไปอยู่เพื่อที่จะกระถาต่อก็ต้องเป็นไปตามความสมัครใจของท่าอนอานนทานอานนท์ไม่อราธนาก็แสดงว่าไม่มีความสมัครใจในะที <c oughs> ่การอนานนท์ทไม่มีปัญญาท่านไม่เข้าใจความหมายที่พระเจ้าทรงทองตรไว้ พอมาทราบทีหลังก็พระพุทธเจ้าบอกสายไปเสร็แล้วพอมาเราท้าพอพระพุทธเจ้าบอกเราจะไปแล้วนในอันภายในสามเดือนก็ <Yeah. S 1> รียบขอลาทำงาให้อยู่ต่อพระเจ้าบอกสายไปเสร็แล้วเพราะเราเคยพูดมาอยู่หลายครั้งแล้วแต่เธอไม่เคยลาทำงานแมาแต่ครั้งเดียวแต่พอตถาคนได้ตรงแล้วได้ตัดสินใจอะไรลงไปแล้วกลับกลับไม่ได้ <Yeah. S 1> พะเจ้านะ ค่ะอาจารย์ี่ว่าพระพุทธเจ้าท่านจะทรงอธิบัสี่ในการรักษาธาตุขัน์คือฉันท้าในความพอใจความพอใจที่จะดำรงวิงอยู่อยู่อยไไู่อ่อยู่อยู่อยู่อยู่อยู่อยู่อยู่อยู่อย่ยอ่อยออยยู่่ยท่่อยู่อยู่ยู่อยูอู่อยู่อยอยู่อ่อยู่ออยู่อ่อ่อยู่อยู่อยู่่อยู่อยูอยู่อยอยเ่อยูอ่อยูาอย่อยู่อยู่่อยู่อยู่อู่อี่ ยังต้องการความช่วยเหลือจากท่านอยู่ในสายขณะที่ท่านจะแะเด็นักขันในคืนนั้นก็ยังจะโปรดคนที่มาถามปัญหาคุณสุดทา้ายตอนานั้นที่ก็้าันไม่ยอมไม่อยากจะให้เข้าแล้วเพราะเห็นว่าท่านตรงหนักเต็มที่อยู่แล้วแต่พระวิธเจ้า พ, าพอทงสจ้าก็ยังเรียกเข้ามาเพราะความเมตตาทั้งมีอยู่ต่อสัรโลกเสมอ เมื่อถึงเวลาที่ท่านต้องตัดสินใจท่านก็ต้องตัดสินใจเมืตัดสินใจแล้วก็ท่านจะไม่เปลี่ยนใจแต่ท่านก็เห็นว่าถึงแม้ท่านไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามีสาวกต้องห้าร้อยรูกขึ้นไปที่จะสามารถทําหน้าที่แทนพระองค์ท่านได้อย่างอย่างต่อเนื่องท่านดึงไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่ตอนที่ท่านโพลตัดสินใจนั้นท่านท่านต้องมีความมั่นใจแล้วว่า พวกเราไม่ขาดที่พึ่งดังที่ท่านบอกว่าพวกเธอจะไม่มีไม่ปราศจากศาสดราเพราะว่าธรรมวินัยที่เราได้ตัดไม่ชอบแล้วมีหลายจะเป็นศาสดาขอางพวกเธอต่อไปและผู้ที่จะสอนธรรมวินัยนี้ก็คือป้าอริยะสลวงสาวกทั้งหลายซึ่งมีเป็นจนํมานวนมากมากกว่าห้า้อยรู ดังนันอย่าไปถือตามจากรายของครูบาอาจารย์เป็นเรื่องใหญ่โตมันเป็นเรื่องของเวลามันเป็นเรื่องของธรรมดาที่ไหนก็ต้องเกิดขึ้นสิ่งที่ท่านเกิดสิ่งที่ท่านสอนที่จารึกเก็บไว้นี่มีมากและมีประโยชน์เท่ากับท่านมีชีวิตอยู่ถ้าเราศึกษาปฏิบัติฟางจากสิ่งที่ท่านได้สอนเอาไว้จะเป็นในรูปของหังสือกันดีด้วยไง เนีหยือซีดีที่บันทึกเสียไว้อย่างนี้ก็เหมือนกับมีท่านอยู่ทุกวันนะไม่ต่างากลางหรอกที่เราไปหาทา่านก็ไม่ได้ไปหาร่างกายของทาง่านหรอกเราไปหาธรรมะของทาง่านไปฟัาธรรมของทาง่านถ้าธรรมของท่านก็ยังอยู่ทําไมเราไม่ฟังกันอาจารย์เนะี่ยใครขอนงะิน